อพอรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาํามถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่มีความสนใจถ้าอยากจะเข้ามาถามคำถามก็เชิญเข้ามาได้แต่จะต้องรอคิวอยู่ อนนี้เราก็เริ่มตอนที่จะแมตตกัจจติเช่นเดิมจะแมตต์จัตติเปิดไมครโฟนได้ไหมกล่าวธรรสการพระอาจารย์ครับอะเป็นยังไงครับวันนี้มาส่งกันบ้านเช่นเดิมครับสมาที่ได้กี่นาทีเดียวนี้คืออาทิตย์นี้ก็มี ก็นั่งทุกวันคับแต่มีสอบวันที่เว้นที่ไม่ได้นั่งครับสามสิบนาทีครับพยายามอย่าให้มันมีมันเว้นได้ไหมใช่ถ้าเว้นก็ต้องชดเชยวันต่อไปต้องสองเท่าไปไหมยาวไปครับเวลาเว้นทําไมเว้นได้เวลาชดเชยทำไมชดเชยไม่ได้ เราเราเป็นคนขาดทุนก็แบทุกคร้งที่เราทํานี่เราเราได้กําไรพอเราหยุดทำํำเราก็เท่าเราขาดทุนขาดรายได้ครับนเราก็ต้องมีการชดเชยจะได้ไม่ขาดรายได้อเราวันนี้ไม่นั่งพุ น, นี้ก็ต้องนั่งสองเท่าไหวไหมเราดูจะได้ไม่กล้าเว้นไง<อ>ใช่ไหม ดีไหมดีครับอ่าอ่าส่งการบ้านเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมบนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมบนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆถือว่าเราจะต้องตัดคลางจากของวัดของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง เรามีกรรมเป็นของผ่องตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติด ต, ตามมีกรรมเป็นที่เพื่งองาศัยเราทํากรรมันใดไว้เป็นบุญหรืเป็นบาปเราจะเป็นทา ย, ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นานำเสียไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด อ, อย่างไรนะั้นนี่คือข้อสาบของเรานะ ความแก่ความเจ็บความตายให้มันอนอเราอยู่หนี้มันไม่พ้นนะอย่าอย่าทำเป็นลืมยิ่งลื่มยิ่งยิ่งลำบากเวลาเจอมันนะก็ไม่ลืมแล้ราได้หัดเตรียมตัวเตรียมใจทำใจให้นิ่งให้สงบเท่านั้นแหละเราห้ามมันไม่ได้แต่เราเห้ามใจเราได้ห้ามใจเราอย่าไปทุกข์กับมันด้วยการทำใจใฝึกสมาธิอย่างเงี้ย นี่คือการเตรียมตัวนะโอเคแล้วก็ร่างกายเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นความจริงนะว่ามันไม่สวยไม่งานมันมีอาการสามสิบสองใช่ไหมใช่ครับมีอะไรบ้างมีผมขนเ็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับ ฟังผื่นไตปอดไ้ใหญ่ไ้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่ในสมองสีสับน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำเสร็จข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำเกล็ดข้อน้ำมูก น้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำคลนน้ำเหืียน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำดีเยื่อในสมองสีชาอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตขังปืดตับหัวใจม้าเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อนัก นคนแล้วคนผมอ่าถ้าอยากจะไปนิพพาน เ, เนี่ยต้องพัฒนทำข้อสอบข้อนห้ได้นะรัะบต้องเห็นนางกายว่าไม่สวยไม่งามไม่น่าดู่ะส่วนที่น่าดูก็เป็นส่วนที่อยู่ภายนอกแต่พอมองเข้าไปภายในแล้วก็ไม่มีอะไรน่าดูจะได้ไม่มีความลัก ความยินดีกับความกำนัดยินดีในร่างกายของคนอื่นนะอันนี้ให้ดูร่างกายของคนอื่นเวลาเกิความรักใครชอบใครถามว่าเขาเขาหน้าดูจริงจริงหรือเปล่าอ่าโอเคมีคําถามอะไรอยังไม่ไม่มีแล้วครับอ่าทําต่อไปนะอ่าคุณหมอพี่เชน ตลาคบพระบุญพระอาจารย์ครับกับนิมมัสการพระอาจารย์ครั บ, บ, าารรบหมอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายควรวางใจในชีวิตอย่างไรสุดท้ายจะต้องอยู่คนเดียวก็มันเป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่าง มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นมันดีเกินดีเราก็อาจจะต้องเหรือเหนือเราคนเดียวแต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิเรามีความสุขจากการปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ไไม่เดือดร้อนอยู่คนเดียวได้อย่างไม่เหงาไม่รู้สึก ว, ว้าเหวไม่รู้สึก เบื่ออะไรอยู่ที่ใก็มีความสุขถ้าฝึกจิตไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะมีอุเบกขาตลอดเวลาเรื่องตอนการอาศัยสติสร้างอุเบกขาขึ้นมาให้เข้าสมาธิบ่อยๆพ อ, อเราชำานาญทางสมาธิแล้วขั้นต่อไปเวลาเราไม่ได้เข้าสมาธิเราก็สอนปัญญาให้คอยตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆ เวลามันอยากจะหาใครมาเป็นเพื่อนหาอะไรมาเป็นเพื่อนฮนะแก้เหงาอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่ามันเป็นของชั่วข่าวแก้ด้วยชั่วข่าวเดี๋ยวเวลามันหมดไปมันก็ทำให้เราเหงาเราเศร้าเหมือนเดิมช่วยเรามาอยู่กับความว่างอยู่ความไม่ไม่มีความอยากนี่เปล่าเพราะเวลาไม่มีความอยากใจเราก็จะไม่ไม่เหงาไม่ว่างเลย แต่พอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊กมันจะรู้สึกเหงาใสึก ว, าว้าไเวขึ้นมาทันทีแล้วตอนต้นเราก็ใช้สติหยุดความอยากไว้เพียงน้ำความอยากหยุดด้วยสตินี้หยุดได้เพียงชั่วคราวแต่พอเรามาใช้ปัญญาต่อไปก็อย่าทำตามความอยากไว้เพราะความอยากไม่ได้ทำให้นอน้หายเหงาจริงๆหายเหงาแบบชั่วครั้งชั่วคราว สิ่งที่เราได้มาหมดไปเราก็เหงาอีกแล้วเราก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาหาสิ่งต่างๆมาแก้เหงาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราจะไม่เหงาเราจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขก็ต้องปฏิบัติทำภาวนาสมถภาวนาก่อนแล้วก็วิปัสสนาภาวนาหลังจากที่เรา ชำนาญในการเข้าสมาธิได้แล้วถ้ายังไม่ชำนาญอย่าเพิ่งไปปฏิบัติตามวิปัสนาเพราะว่ามันจะทําให้เวลาจิตฟุ้ว่าจะทําให้จิตสงบยากเพราะเวลาไปทำวิปัสนามันต้องใช้ความคิดนั่นคือความคิดถ้าเราไม่มีสติเหนี่ยวกิเลสนั้นดึงไปคิดทางกิเลสเราก็จะไม่มีกําลังหยุดมันได้ถ้าเราไม่มีสมาธิ เป็นพยายามฝึกสมาธิให้ชนานาญก่อนหยุดกิเลสด้วยสมาธิก่อนแล้วเวลาเราออกมาจากสมาธิมาคิดทางปรราัญญาถ้าเราเผลอไปคิดทางกิเลสเราก็จะได้หยุดมันได้แต่เราต้องใช้ปรรัญญาให้เห็นโทษของให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันไม่มันมันเนต็มตายแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ ถึงเวลามัน จ, จางแล้วไปมันก็จะทําให้เราเศร้าเราทุกข์ขึม้มังนันอย่าไปทําตามความอยากคุยความอยากอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอา่าต่อไปยามปฏิบัติไปเรื่อยต่อไปธรรมนี่เราจะเป็นที่พึ่งของเราการปฏิบัติธรรมนี้เป็นที่พึ่งของเราสติกับปัญญา เราจะไม่เหงาเราจะไม่ว้าเวยอยู่ของเราตามําพังได้ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังไม่มีอะไรให้สสัมผัสก็ไม่เดือดร้อนอนะปฏิบัติไป น, นะครับน้อมนาแบบปฏิบัติครับพระอาจารย์กับกับวฏคนย่างสูงครับตอนนี้ไปที่ไหนล่ะตอนนี้ก็มีความก้าวหน้าในการนั่งสมาธิ ในมากกว่าขึ้นกว่าเดิมครับพอาจารย์ก็มีความเวลามันเข้าไปในสมาธิมันอยู่นะสมาธิได้นานเป็นชั่วโมงแล้วก็มันมันเห็นความว่างของจิตว่างว่างของเวทนาสัญญาการญาแล้วก็พบความสุขที่ที่มากๆเลยครับพรอาจารย์มันทำให้เรามีความอิ่มเมอิบใจใไหมได้ครับพรอาจารย์ ไม่หิวไม่อยากกับอะไรครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้จากการนั่งสมาธิครับไมเบกาไม่รัดไม่ชั่งไม่กลัวไม่หลงอะไรครับอนะพยายามรทำไปเรื่อยปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์นี่สาธุครับครับลขอบคุณครับอาจารย์คุณทิติมาเชิญทิติมากรธรรม ากากกรมัสกาค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ไม้มี่าวถวๆค่ะเข้างาหลากการทางค่ะปฏิบัติทุกวันเหมือนเดิมค่ะตั้งแต่มีวีซ่าใหม่นี้มีคนเข้ามาเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นค่ะพระอาจารย์อใช่มใไม่ต้องไปขอวีซา่ <c oughs> เาเข้มาถึงก็สองเดือนเลยอัตนมัติประเทศที่ อ, อมีจีนจีนอินเดียสามสิบวันค่ะพระอาจารย์คนก็เลยเข้ามาเยอะอหมือเดิมค่ะ ทุกประเทศที่เราอนยุญาตเข้ามานี่ได้สามสิบวันก่อนแล้วมาต่อยสามสิบวันหรือหกสิบวันเลยอ่าอันนี้ก็สามสิบค่ะเป็นอาฟีวิซ่าค่ะถ้าจีนจๆกับงเินเดียค่ะแต่ถ้าเป็นหกสิบน่าจะเป็นละเซียค่ะอาจะรอ่าประเทศไหนเอาระเทศ่ยงหกสิบเอาเที 60, เท่ยงสามสิบเลยใช่ครับไม่เท่ากันค่ะอาจารย์อืมแล้วได้ข่าวว่าต่อได้สามสิบใช่ไหมหลังจะใช่ค่ะ extension เพิ่มอีกสาสบที่ประเทศไทยอืม ก็ในสะดวกสะดวกสบายเลยเนี่เหมือนเดินทางไปเชเหนเดินทางในประเทศไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องมือการไปขอวีซ่าอาจารย์ค่ะโอเคอาจารย์ทัากันแข็งแรงนะคะสาธุคุณสาธกาชายนาวฟังคำครับอาจารย์ปฏิบัติอยู่ค่ะสาธุคุณลูกตาชนเลย นามาส ก, การพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมยังยังยังถอนกันเทศทุกทุกทุกครั้งหรเปล่าที่เทศสวนเนี่ยถอดอยู่ค่ะพระอาจารย์จะมาหรือไม่มาก็ถอดนะใช่าหมคะค่ะใช่ค่ะมาหรือไม่มาก็ถอดแต่ว่าอาจจะไม่ได้เลียงค่ะหนูก็เลือกหัวข้อที่ที่สนใจเพราะว่าจะได้ฟังธรรมไปด้วยค่ะอืมอังบางบางบางการก็ไม่ได้ถอดใช่ไหม ก็จะไล่าตามถอดไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าดูหัวข้ออันไหนที่สนใจหน่อยก็จะถอดก่อนค่ะอ๋อถอดก่อนค่ะแล้วาไปทำอะไรต่อต่อใช่ไหมก็ส่งให้ให้ให้คุณคิงค่ะแล้วก็มีเก็บไว้ค่ะแล้วก็มีส่งให้คนที่สนใจอะไรเงี้ยค่ ะ, อะเอาไปอ่านค่ะเอาก็ไปทำหนังสือบ้างเอาไปพ่นบ้างฮะ ใช่ค่ะหนูก็เก็บไว้เผื่อได้มีโอกาสเขาหนังสือค่ะพระอาจารย์แล้วก็เวลาถอดมันก็จะได้ทวนทบทวนอเออธรรมะของครูเจ้าเจ้าด้วยค่ะได้เรียนรู้ไปในตัวนะได้เป็นผาล์ก็เป็นค่ะเป็นโอกาสได้ฟังธรรมค่ะอืมดีกับเวลาไปทําอย่างอื่นนะค่ะพระอาจารย์มีสาธุคใครเป็นคาบอกให้ทำแล้วก็อยู่ก่อนศรัทธาขึ้นมา ก็อยากอยากจะอยากจะฟังทำด้วยค่ะแล้วก็อยากอยากถอดด้วยค่ะอดีสมัยตอนที่เราอยู่วัดป่ามั้นตานอนบางทีมีเวลาแล้วก็แปลหนังสือของหลวงตาเป็นภาษาอังกฤษน ะ, ะมันก็ต้องใช้สติปัญญาใช้ความคิดให้เข้าใจด้วยมันคือแบบได้ฟังย้อนไปย้อนมาค่ะอาจารย์แล้วก็ได้พิมพ์ตามด้วยค่ะมันก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ใช่ถูกต้องดีมากสาธุเป็นงานที่ดีควรจะทำะไปเรื่อยๆนะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ยังนั่งสมาธิพยายามนั่งทุกคืนค่ะก็อาศัยฟังธรรมร่วมด้วยค่ะก<น>็จะได้ไม่จะได้ไม่เตลิดเยอะ<น>ค่ะนานเลยนานมากขึ้นไหมก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะบางทีก็สี่สิบห้านาทีค่ะอืมดีโอเคทาต่อไปนะ ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังธรรมะนาุติค่ะพอาจารย์โ <Okay. S 2> อเคค่ะใ น, นวันพระนะค่ะพระอาจารย์อ่าใช่ก็นเอกอยากเชียรรงารายเตรียมตัวจะบวชนะเต็มตัวจะบวชนะยังยังครัาพอาจารย์ครับยังหนีไม่ได้ครับเห็นก่อนเสีษสนะ ผมผมนะตัดตัดสั้นครับอาจารย์ครับตัดสั้นนะครับผมตัดสั้นก็วันนี้มาร่วมฟังคำครับอาจารย์ก็ปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์ครับเพราะว่าจะดูความเจริญในทางธรรมดูที่ไหนใช่ไหมดูที่ผมเนี่ยอ๋อผมยิ่งสั้นยิ่งเจริญโอ้โหมันก็สะดวกดีครับอาจารย์คนั่นแหละมันเก็บไปทำไมผมยาวยุ่งยากวุ่นวายใช่ครับลำบากใช่ท่าน ถ้าใจมันมีธรรมะแล้วมันไม่ค่อยสนใจเรื่องรูปลักษณะของร่างกายแล้วมันจะมันจะหล่อหรือจะสวยหรือไม่มันไม่สนใจนะครับผมสนใจใจให้สงบแล้วไม่สงบดีกว่าไม่วุ่นวายดีกว่าครับผมก็วันนี้ก็ดูดูดูใจเหมือนกันนะครับหลังจะออกสมาธิมาครับอาจารย์ก็เห็นเมื่อทีแบบเห็นความงุงงิดเห็นอะไรก็อืมก็ห้ามไว้หรือว่าพูดโทไปครับอาจารย์ไงั้นก็ เราใชบปัญญาเลยวนหินมั น, ก, นก็เกิดจากความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมครับก็อลึกถึงคำสังสอนที่พระอาจารย์ได้เทศสังสอนไว้ครับพระอาจารย์อเช่นความอยากมันถ้าเราไปอยากแล้วมันมันทําให้ใจเราร้อนนะครับรรรอาจารย์ม้อนเนหินครับุณวายครับใช่ครับก็เลยไม่อยากจะไปไปอยากอะไรครับก็หลวงพางก็ ก็อัตหิอัตโนนาถัวพระอาจารย์ด้วยไม่อยากจะไปขออะไรอะไรอเออขอร้องขออะไรพิจารณาตายนับไปครับขอไปได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปก็ต้องไปขอใหม่ครับไเพราะว่ามันเหมือนกับเอ๊ะถ้าไปขอลำบากใจทุกใจเปล่าก็ทาเองไปเลยอะไรผทําได้ก็ทําไปเนี่ครับอาจารย์อัตหิอัตโนนาถประสันโด ทำเองได้เท่าไหร่เท่านั้นถ้าผมใช่ครับประมาณนั้นนะมันสบายใจกว่านะบางครั้งใจมันมันดิน้นมันกระเพื่อมมา ง, ง, ง, ง, ง, ง, งี้ยโดยที่แบบบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยในใจเราร้อนนนแต่เขาก็เฉย อ, อย่างเ ง, ง, ง, งี้ยเราะว่าเออมันก็ไม่ใช่เพราะมันเกิดจากความอยากของเราเองเงี้ครับอาจารย์ครับต้องมานั่งับที่ความอยากปัญหาของเราทั้งหมดอยู่ที่ความอยากของเราครับผมครั บ, <Okay. S 1> ค, รบครับน้อมนําคํา ตั้งสอนพระอาจารย์ไปป็นบครับป็นบททุกวันพระอาจารย์ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมวันนี้กันในสเจเหมือนเดิมเออเป็นวันวันพระครับพระอาจารย์วันนี้วันนีรแต่วันนี้ก็น่าจะชักยาวอยู่เหมือนกันครับประมาณโมงหรือที่ยงคืนอยู่ครับนี่นะครับผมขอบคุณพระอาจารย์ครับขอให้ท่านานพระอาจารย์ทางใครข้ามานะครับผ่านลู้านะคุณจ้าเอนจ้าน้องสาวแล้วพี่สาว จำไม่ได้เป็นพี่เลยไป็นน้องแอมาสักการ์ดพี่สาวค่ะแต่ว่าเด็กกว่าพระอาจารย์หนูไปอยู่วัดมาค่ะเจ็ดวันเมื่อเข่าพื่งกลับมาเมื่อเข่าสาวใช่ค่ะแล้วก็หนูแบบรู้สึกประทับใจมากค่ะคือตั้งแต่ที่เหมือนตั้งแต่ที่หนูเริ่มชินกับการมีอินเทอร์เน็ตของโลกน่หนูก็ไม่เคยที่จะแบบ ไม่ connect กับ internet กับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูไปก็คือหนูปิดโทรศัพท์เลยแล้วก็ตั้งใจตอนเข้าไปก็ตั้งใจว่าสามวันแรกหนูจะจะพุดโทรแล้วหลังจากนั้นหนูจะเริ่มนั่งสมาธิแล้วก็คิดในใจว่าอยากจะขอแตะคณิกะสมาธิสักอีกสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าทำไม่ได้เลยค <laughs> ่ะ<บ>อาจารย์สามวันอย่าไปอยากไ ด, ไได้หนูว่าหนูผิด ต, ตรงนี้แล้วค่ะตรงที่อยากแล้วก็ มันแบบหนูหนูสงสัยอย่างหนึ่งค่ะพระอาจารย์คือถ้าการที่คนเราจับพุทโธเนี่ยเพื่อที่จะสร้างสติแต่หนูรู้สึกว่าในสามวันนั้นนะคะหนูต้องใช้สติพอสมควรมันถึงจะจับพุทโธอยู่คือมันเหมือนแบบไก่กับไข่อะค่ะพระอาจารย์คือถ้ามันถ้าไหนค่ะเปตัวเดียวกัน อ, อสะสติกับสติกับพุทโธก็ตัวเดียวกันเล่อเรามีน้อยสามัญหน้ามันก็เลยยากเพราะว่า เราไม่มีสติคอยจับมันก่อนที่เราจะมาอยู่วัดเราปล่อยให้มันปล่อยให้มันเพ่นพ่านปล่อยให้ความคิดคิดตามสบายพอเรามาอยู่วัดปั๊บเราเริ่มจะจับมันเข้าคงขังมันก็ดิ้นก็ต้องไล่ตามกันจนความมันจะเหนื่อยแล้วสติเรามีกำลังมากขึ้นมันถึงยยอมหลังจากสามวันนั้นมันจะเริ่มลงตัวแเวลาเราไปอยู่ที่ไหนปฏิบัติธรรม ใช่หนูรู้สึกเหมือนกันค่ะว่าโชคดีที่หนูพอดีพี่สาวไปรับไม่ได้จนกระทั่งครบอาทิตย์หนูก็เลยต้องอยู่เจ็ดวันซึ่งมันเลยกลายเป็นเรื่องดีค่ะคิดจะกลับบ้านกันเลยเตะคิดก่อน <laughs> หลังจากประมาณประมาณวันที่สาอ่ะหนูก็นึกในใจแล้วว่าโอ้ตายละเรา แบบเอายังไงดีอะไรเงนี้ยแต่คือพี่สาวก็บอกไว้นะคะว่าถ้าทนไม่ไหวจริงๆให้โทรบอกแล้วเขาบอกไม่เป็นไรหรอกครับเราสองสามชั่วโมงจะไปรับได้อะไรอย่างเนี้ยแต่หนูก็แบบไม่ได้หนูก็แบบตั้งสัจจะไว้แล้วเจ็ดวันก็คือเจ็ดวันมันไม่ตายหรอกอะไรอย่างนี้ค่ะอแล้วก็หนูก็อดทนมาที่นี้พระอาจารย์มันมีความเอ่อน่าแปลกใจตรงที่ว่าสุดท้ายค่ะพระอาจารย์คืนวันที่ห้าหนูหลับไปแล้วตื่นช่วงก่อนที่จะตื่นมาหนูฝัน แล้วมันเป็นความฝันที่ตลกเพราะว่าหนูฝันว่าหนูท้องแล้วมันมีตอนที่จะกลับบ้านนะคะหนูก็ไปรับลูกแล้วเขาเอาลูกใส่ถุงไว้แล้วหนูก็สะดุดถุงทับเด็กหนูก็ตกใจมากแต่ว่าคนนี้ที่เขามาขอให้หนูท้องอะเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเพราะเขายังไม่ได้แปกใจลงไปที่ตุ๊กตาเสร็จปั๊บเขาก็คว้าไปเอารวงใจที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาแปะ แล้วตุ๊กตามันก็เป็นคนขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วหนูก็แบบตกใจมากในฝันคือหนูก็แบบนี่เหรอคือเราจะให้เรารักตุ๊กตาตัวนี้ว่าเป็นลูกได้ยังไงกันแล้วหนูก็เหมือนสุขคิดขึ้นมาว่าอย่าบอกนะว่าเราเองอ่ะก็จริงๆก็เป็นตุ๊กตาเหมือนกันนี่แหละที่แบบมีมีการเอาหัวใจมาแปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปั๊บหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วหนูก็ร้องไห้แบบมันรู้สึกผิดหวังที่เหมือนรู้สึกแบบ เหมือนเราโง่อยู่ตั้งนานที่หลงรักตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งตอนแรกหนูก็คิดว่ามันเป็นแค่ความฝันทีนี้ปรากฏว่าสายๆหนูก็เอามันกลับมาพิจารณาอีกแล้วมันก็ยังคง่าเหมือนรู้สึกโศกเศร้าในใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูปล่อยความอ่าก็คือปกติหนูจะค่อนข้างแบบห่วงกะท่าขันพอสมควรแบบว่ารักสวยรักงามบ้างเป็นห่วงสุขภาพบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่ที่หนู พิจารณาเรื่องนี้ต่อหนูรู้สึกว่าความเหมือนความอเข้าใจว่านี่หรอคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอ น, นิจจังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอนัตตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้หนูรู้สึกเบาบางความทุกข์ลงไปค่อนข้างเยอะทีนี้จนมาถึงวันนี้แล้วค่ะพระอาจารย์หนูก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่คือก็ยังไม่ไม่ไม่ไมห่วงในอ่าเหมือนไม่กังวลกับตัวเองอย่างที่เคยเป็นมาก่อนสองกระจกอะไรก็ไม่รู้สึก ลำคาญใจเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หนูก็เลยอยากถามอาจารย์ว่ามันเป็นไปได้ไหมคะว่าเราจะมีปัญญากับเรื่องพวกนี้ทั้ ง, งที่หนูไม่ได้นั่งสมาธิเราผิดาจรณาค่ะก็ปัญญาเรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันแต่ว่าเรายังไม่สามารถทาตามปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังได้เพราะเราไม่มีสมาธิพอเรามีสมาธิมีกาลังขึ้นมาเราก็ เราก็สามารถที่จะเห็นความจริงได้อยา่างชัดเจนร่างกายนี้ก็มันก็แค่ตุกตาตัวหนึ่งท่านหนึ่ง ท, ทําจากธาตุสี่นี้น้ําลมไฟเราใจเราก็คือธาตุห้ามาแปะไว้ทีหนึ่งมันถึงมีชีวิตชีวาขึ้นมานั่นก็ถูกแล้วเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่ามันมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นได้อย่างไงหรือไม่ได้อย่างไงหนูกลัว ม, <า>มันจะจางไปค่ะหนูกลัวว่าวันเนี้ยถ้าหนูอย่าอย่าไปลืมมันไดค่อย ไพิจารณาอยู่นึงว่าเจ้าสอนนั่งกายเปน็นอนัตตาไม่มีตัวตนประกอบจากธาตุสีนน่ดินน้ำลมไฟเราคือใจเรามาประกอบมันเรามาใช้นั่งกายเรารับร่างกายมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นเหมือนคนผลิตตุ๊กตาตัวนี้ให้เราเราก็รับจากพ่อแม่มาแล้วเราก็ใช้ปกตาตัวนี้ไปทําตามกิเลสของเราเบื้องต้นอตอนนี้เรามาได้ยินได้ฟังธรรมแล้ว แทนที่จะไปใช้ตามกิเลสตอนนี้เราจะเอามาใช้เพื่อปฏิบัติทำแทนค่ะทั้งนั้นะร่างกายก็มีมีมีมีประโยชน์ตรงนี้มีประโยชน์ที่เราสามารถเอามาใช้เพื่อเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ของใจเราได้ถ้าเรามีคําสอนของพระเจ้าเป็นผู้สอนผู้พาเราไปค่ะแล้วจริงๆใช่เลยค่ะพระอาจารย์เพราะวันวันศุกร์ที่ตอนที่หนูเอาพิจเอามาพิจารณาค่ะหนูก็เริ่ม เหมือนเอาส่วนที่เป็นใจมาพิจารณาเพราะว่าพอตอนช่วงใส่ใส่หนูก็รู้สึกว่าโอเคเรื่องร่างกายหนูชัดเจนแล้วว่ามันเป็นแค่ตุ๊กตาแต่ว่าหนูยังติดอยู่ว่าแล้วใจเราจะแบบเราจะเห็นได้ยังไงว่าใจก็ไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เหมือ น, หนเหมือนไม่รู้หนูฉุกคิดขึ้นมาว่าคือถ้าเกิดว่าต่อให้ใจเป็นตัวเราก็จริงแต่เราไม่สามารถรับรู้ถึงตัวเราเองด้วยซ้าจนกระทั่งเมื่อตอนที่เราได้รับการแปะรวมเข้ากับตุ๊กตา เพราะฉะนั้นต่อให้มันเป็นตัวเรามันก็เหมือนอเราต้องพึ่งร่างกายแล้วอย่างนี้มันจะเรียกว่าเป็นเราได้ยังไงอะไรนะค่ะหนก็รู้สึกว่ า, เ, วาเราคือเบื้องต้นเราต้องเอาทีละอย่างก่อนคือเราต้องพิจารณาร่างกายเพื่อหเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นเินน้ํำลมไฟเราคือท่านู้นคือใจที่มาใช้ร่างกายด้วยการใช้ความคิดปรุงแต่งสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ แล้วก็ความคิดปรุงแต่งของเรามันไปคิดว่าเราผู้ผู้คิดเป็นผู้คิดมีมีตัวตนขึ้นมาไปคิดว่าตัวสังขารนี่เป็นตัวตนตัวความคิดนี่เป็นเป็นผู้คิดเนี่ยจริงมันมีความคิดแต่ไม่ผู้คิดเข้าไหมสังขารนป่เป็นความคิดคิดปรุงแต่งต่างๆแต่แต่อวิชาหรือโมหะความหลงมันมาเราให้เราคิดว่า เราเป็นความคิดความคิดนึงปุงมันปุงแต่ขึ้นมาว่ามีเราเป็นผู้คิดมันยังไม่มีเรามันเป็นแต่ความคิดไม่มีผู้คิดมันเป็นฟังก์ชันเป็น function, เหมือ น, เ ป, นเป็นการเป็นฟังก์ชันอย่างหนึ่งของจิตพูดง่ายๆนั้นอันนี้ต้องรอให้มันผ่านต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนถึงจะสามารถเข้ามาดูการทำงานของจิตได้ ถ้าเราจะเห็นว่เวลาจิตเราสงบจิตเรานิ่งตัวความรู้สึกว่าเมีเรามันก็จะหายไปเพราะว่ามันมันเกิดจากความคิดเนี่ยพอเราหยุดความคิดไอ้คำความคิดว่าเรามันพอมันหยุดคิดไล้ไอ้ไอไอเราที่มันคิดเกิดจากความคิดมันก็หายไปนั้อแต่เนื้อแต่รู้เฉยๆเนื้อแต่โตรู้ขึ้นมา <ạ. S 1> เราก็จะรู้อ๋อนี่คือธาตุรู้ธาตุรู้นล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ตัวเรา ไม่มีตัวเราเพราะตัวเราก่อจากความคิดของความคิดเองคิดขึ้นมาด้วยความหนุงของของอวิชชาของของกิเลส อ, อันนี้ต้องรอให้ไปผ่านปล่อยล่างปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายได้ก่อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี้เราต้องไม่เดือดร้อนกับมันให้ได้ก่อนรือยแยกใจออกจากร่างกาย ให้ใจว่าให้ใจรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นเป็นเพียงแต่ใจมามารับรู้ท่านั้นเองรู้ว่าเวลาร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เอแต่แปลงไม่อตัวที่เจ็บมันไมกลับไม่รู้เป็น <c oughs> ตัวร่างกายมันไม่มีการรับรู้อะไรทั้งสิน้นมันไม่รู้ว่ามันเจ็บเวลาปวดท้องท้องมันไม่รู้ว่ามันเจ็บอ่ะอบุตรู้ก็คือใจหรือจิต ที่มาแปะมาเกาะมารับาราลับความเจ็บจากร่างกายเข้าไปที่ใจเป็นข้อมูลทั้งนั้นเราก็ต้องตอนนี้แยกแยะใจเอาชนงร่างกายอย่าไปทุกข์กับร่างกายที่ทุกข์ก็เพราะเราไปหลงว่ามันเป็นตัวเราก็เลยอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดค่ะอั น, นนี้ก็เราก็ต้องยอมรับความจริง แต่มันก็ต้องเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บจากเจ็บจากอะไรต่างๆเจ็บจากหิวน้ําหิวข้าวเจ็บจากเดินเป็นเตะอะไรโดนอะไรทับศรีรษะอะไรเป็นต้นนึงมันก็เป็นมันก็จะเกิดความเจ็บขึ้นมาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเกิดเราก็ให้รับรู้ไปเฉยๆใจคือผู้รู้ก็ให้รู้ไปเฉยๆอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บถ้าใจมันจะไม่ถุก เช่นเดียวความตายร่างกายใ น, นในวันหนึ่งมันก็ต้องหยุดหายใจแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็เพียงแต่ไม่มีตุ๊กตาเล่นท่านหนึ่ ง, งแต่รักตุ๊กตาตัวนี้มากหลงกับตุ๊ก ต, ตาตนี้ตัวคิดว่าคิดว่าเป็นตัวเราเองตอนนี้เราต้องแยกตัวนี้ออกให้ก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่เราเราอยู่ที่ใจร่างกายไม่ใช่เราร่างกายไม่เห็นใจ ใจต้องปล่อยร่างกายถ้าปล่อยหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้เวลาเกิดความแก่เจ็บตายก็จะไม่ทุกข์อพอปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาได้เราถึงไปศึกษาเรื่องจิตต่อไปอในสติปัฏฐานมันมีกายเวทนาจิตใช่ไหมกายก็คือเนีร่างกายที่ต้องแก่ต้องตายเวทนาก็คือความเจ็บปวดต่าง พอเาผ่านกายกับเวทนาแนละ้วก็เหลือแต่จิตจิตนี้เข้ามาดูแล้วดูว่าตัวตนมันอยู่ตรงไหน<ม>ตัวตนมันก็อยู่ที่ความคิดเนะี่ยพอเราหยุดคิดตัวตนมันอะมันก็หยุดไปหายไปทีนี้พระอจค่ะถ้าตอนนี้หนูพอจะเริ่มอมีจุดเริ่มต้นที่จะเริ่มเห็นในส่วนที่เป็นอนัตตาแต่ว่ามันเป็นข้าจุดเริ่มต้นก็คือถึงแม้ว่าหนูจะเริ่มเห็นตรงนี้ไม่ได้แปลว่าหนู เหมือนเห็นเข้าเหมือนเห็นร่างกายเป็นอสุภะแบบนี้คือมันยังแยกกันอยู่ถูกไหมคะการที่เราไม่เห็นว่าเรามีตัวตนไม่ได้แปลว่าเราเห็นว่ามันเสื่องกันก็เรื่องกันก็คือต้องยังคงพิจารณาตรงนั้นตัวตนก็เรื่องหนึ่งความไม่เที่ยงก็เรื่องหนึ่งความไม่สวยงามก็เรื่องหนึ่งเป็นข้อมูลที่เราจะต้องป้อนให้กับใจให้มันไม่ลืมให้มันเห็นเห็นร่างกายเวลาเรนต้องเห็นสามข้อมูลนี่ะเห็นความไม่สวยงามเวลาเราเห็นใคร สวยงามแล้วต้องรีบเห็นภายในทันทีอืมโอเคค่ะก็คือต้องจัดการกับหมวดกายก่อนจะให้มันครบถูกส่วนของหมวดกา ย, ายแล้วสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าครบแล้วก็คือเช่นการไปหาความเสี่ยงตายอะไรแบบนี้ถูกไหมคะอ่าเวลาเจอความเจ็บปวดนั่ง น, นั่งสมาธิไปนานๆแล้วเจ็บปวดดูเช่เราปล่อยให้มันเจ็บไปนอนโดยที่เราไม่ไปยุ่งกับมันได้หรือเปล่าค่ะโอเคเข้าใจแล้วค่ะ ทีนี้พระเจ้าคะหนูขออนุญาตถามอีกเรื่องหนึ่งตอนที่หนูอ่านหนังสือสวดมนต์นะคะแล้วมีส่วนที่แปลเรื่องปฐมฌานชันหนึ่งฌานสองฌ า, านสา ม, สามอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าฌานที่หนึ่งที่ว่าสุขเพราะความวิเวกแต่ว่ายังมีวิตกวิจาร์แล้วฌานที่สองสุขเพราะว่าเข้าสมาธิสุขในสมาธิอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คําถามของหนูคืออันที่สามฌานที่สามที่บอกว่าสุขด้วยอุเบกขา แต่ว่าเป็นความสุขจากนามากายคําว่านามากายในที่นี้หมายถึงลมหายใจหรือเปล่าคะหรือว่าหมายถึงอะไรอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฝึกสมาธิจริงๆเราไม่ค่อยเลยไปสนใจในเรื่องเรื่องว่ามันเป็นช า, 1, ชา 2, ้นหนึ่งชั้สองชันสามหรือชา้นสี่เราเพียงแต่ให้มีสติอยู่กับลมหรือยู่กับพุโทโธไปจนกว่าจิตจะนิ่งมันก็เข้าถึงชา <c oughs> ้นสี่ไปเ่วนชั้นหนึ่งสองสามก็เป็นทางผ่านเท่านั้นเอง ไ ม, ไม่จาเป็นจะต้องไปสนใจและคำว่าอัปปนาสมาธิก็คือแปลว่าชาัญนสี่ชัญนสีนน่งานกิจดนมถ้าคณิกาก็รวมชั่วขณะชั่วระยะสั้นๆงูงแนบเร้นผ้าลักไปถ้ารวมแบบยาวเราเรียกว่าอัปปนาสมาธิโอเคเท่านี้นละค่ะโอเีตำราก็พูดถูกรายละเอียดแต่เวลาปฏิบัติเราไม่จาเป็นจะต้องรู้รายละเอียดล่านี้ มันจะไม่เห็นเป็นคือหรือถึงแม้ว่าเราจะเห็นแต่ว่าเราก็จะณระหว่างที่เรานั่งเราจะไม่เห็นความสําคัญที่จะต้องไปรู้ถูกไหมคะ<ช>เราก็แค่อยากที่จะสงบนิดนึงก็เหมือนเวลาเราขับรถเนี่ยเราเราสนใจที่พวงมาลัยกับเบรกกับเกียร์นั่นเองใช่ไหมเราไม่ไปสนใจว่าอความน้อนเท่าไหร่รอบเท่าไหร่มันดีอยู่ใช่ไหมค่ะอืมเป็นรายละเอียดของของของเครื่องยนต์ เนื่บางรถบางคันก็จะมีรายละเอียดติดไว้มีทั้งความความเร็วรอบล้อความเร็วของเครื่องความร้อนของเครื่องอะไรต่างๆอแต่เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเวลาขับรถเรารู้อยู่หรือว่าให้รู้อยู่ที่เบรกกับพวงมาลัยกับคันเร่งอย่างเงี้ยแต่คือนในในกรณีนี้คือมันจะไม่มีการที่เช่นถ้าสมมุติเราเข้าไปถึงชานสองแล้วเราจะแช่อ ย, อยู่ที่ชานสองไม่สามารถเข้าไปที่สี่ได้อย่างเงี้ยมัน มันไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมคะคือถ้าเกิดเราผ่านหนึ่งแล้วสงบนานพอมันจะไหลเข้าไปถึงสี่เองเหรอคะบางทีมันเข้าแบบพวกพลาดตกอุ้มตกบ่อจากหนึ่งเข้าสี่อ่ามันจะอย่างพุทธคนที่ใช้พุทโธพุทโธมันมักจะพอมันจะวมปั๊บมันก็ลงมัเข้าไปในสี่เลยมันตกจากสิดที่สูงลงมาแต่พวกที่ดูลมาใจมันอาจจะเข้าไปทีละขั้นอ่า แต่แล้วให้เกาะติดกันลงมาให้ใจไปแล้วมันก็จะรู้รู้จะเห็นความแตกต่างของของจิตในแต่ละขั้นให้จิตตอนนี้ระเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นอะไรของเรานีัน เ, เดี๋ยวสภาพมันก็มันก็วบลงไปนิดหนึ่งแต่มไม่มันไม่เหมือนกับตกองจากที่สูงอันเนี่นตกลงจออากขั้นบันไดมากครับเป็นขั้นบนันไดอืมไม่ไม่ตสนใจสนใจที่พุโทโธให้สนใจที่สติกับพุโทโธให้ใช้พุโทโธ ถ้าใช้ลมหายใจก็สนใจดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรทั้งสิ้นไปคิดว่าไอ้ตอนนี้เรามีวิตกมีวิจารมีอะไรนั้นเสร็จเลยไม่ต้องไปไหนอ่านถ้าอยากจะอยากจะวิวาพาควิจาร์อยากจะพิจารณาเราให้ออกจากสมาธิหน่อทํอามสมาธิไม่คิดอะไรถ้านอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดเวลานั่งไปนานๆเนี่ยแล้วมันมันก็จะเวทนาทางร่างกายใช่ไหมคะปวดขาอะไรอย่างเนี้ย ทีนี้อย่างตอนที่หนูไปอยู่วัดเนี่ยหนูก็นั่งไปจนกระทั่งมันผ่านตรงนั้นไปแล้วความเจ็บที่มันเจ็บอยู่อ่ะมันหายไปแต่ว่ามันไม่หายไปแบบเหมือนเหมือนแบบหายไปเลยอะค่ะมันเหมือนจางลงเฉยๆอันนี้หนูไม่ถือว่าเข้าสมาธิถูกไหมคะมันอาจจะเป็นแค่ร่างกายเหมือนเหมือนเกี่ยวกับคือถ้าใจเราสงบลงไปอาจจะไม่ถึงรวมมันก็อาจจะทําให้ความเจ็บนี่ที่มันรู้เสร็จรุนแรงนี้มันเบาไป ที่มันรุนแรงเพราะใจเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเองความไม่ชอบมันความอยากให้มันหายมันเลยทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาแต่พอเราใช้สติคอยระงับความความอยากให้ความเจ็บหายไปพอเราระงับได้ความรู้สึกทุกข์ในใจมันก็หายไปมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าความเวทนามันเบาลงไปแต่บางครั้งมันก็กลับมานะคะใช่เพราะว่ามันปรุงแต่งใหม่นะยังอยากยัให้มันหายอยู่ ถ้าจะให้มันหายแบบถาว่าต้องใช้ปัญญาขั้นต่อไปต้อง <Okay. S 2> พิจารณาว่าความเจ็บมันเป็นสภาวะธรรมเป็นัตตาที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันมันมีสามอย่างวิทยามีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันดินฟ้าอากาศมีฝนตกแดดออก ล, ลมพัดอะไรอย่างเงี้ยมันสิ่งที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน ใจผู้มาสัมผัสรับรู้ก็ต้องเข้าใจแล้วก็อย่าไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างใดก็ต้องทําใจรับมันไปอืมทำนั้นเองพอสอนใจให้รับกับทุกเวทนาได้ทีนี้ทุกเวทนาจะหายก็ไม่หายก็ไม่เดือดร้อนแนะเพราะรู้ว่ามันต้องมันมันมันมันต้องอยู่กับมันนะไม่ก็เราต้องอยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี้ยอืม เราอยาให้เขาไปแล้วเราก็จะทุกข์เครียเดเจอเขาอยู่เลยแต่ถ้าเรารู้ว่าเอามันจะไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ทําใจอยู่เหมือนไปมันก็หายทุกข์หายเครียดท่านั้นเนี่ยปัญหาเราอยู่ที่ใจเราที่ไปอยากหรือไม่อยากกับเวทนาอยากสุขเวทนาไม่อยากกับทุกข์เวทนามันก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาในใจนอีกชั้นหนึ่งอนตอนนี้เราก็ใช้ปัญญาดักมัน ถ้าเราเข้าใจหลักของเวทนาว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งมาไม่ได้ในตอนสมาธิเราอาจจะคิดว่าสาั่งได้เพราะเราขยับขาได้แต่ถ้าเกิดเวลามันเป็นเหตุการณ์จริงๆเง็นเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยมันเราสั่งมาให้มันหายไม่ได้เราเลยต้องทำไงเราต้องทําใจนั่นเองทำใจว่ามันเป็นครับเป็นไปเราก็อยู่กับมันไปสักแต่ว่ารู้ไปฝึกบูเบคขาให้มากเข้าใจเราก็จะไม่มีความนักฉัน อมนมีความอยากให้มันหายหรืออยากให้มันไม่หายส่วนมากหนูชอบใช้หลอกตัวเองว่าถ้าสมมติตึกถล่มแล้วหนูติดอยู่ใต้ตึกแล้วขยับไม่ได้ อ, <laughs> อันนี้หนูใช้ทาให้ตัวเองผ่านหลายๆครั้งขยับไม่ได้ก็ไม่ต้องยอมว่ามัน อ, อยู่นั่นอยู่เฉยๆไป เวิร์กบางไม่เวิร์กบางบางครั้งก็ไม่ได้เขาก็ขยับ <laughs> บางทีถ้าไม่อยากขยับก็บางทีต้องใช้สติช่วยหยุนมันใช่พุโทโธพุโทโธบ ร, ริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแต่ไม่ได้บ ร, ริกรรมเพื่อเข้าสมาธิบ ร, ริกรรมเพื่อหยุดความอยาก อ, อ, อ, อ, อืเอาความอยากหยุดปั๊บมันทุกข์ก็หายไปใจก็บางมื่ได้เข้าสมาธิเะ้าใจแล้วค่ะ หนุวันนี้หนูมมีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ไม่ทราบพี่สาวมีคําถามหรือเปล่าครั <Ừ. S 1> แล้วกักการพระอาจารย์ค่ะก็ยังไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์วันนี้มาฟังทำค่ะมีทั้งสาวเป็นเป็นผู้นําทางก็ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยวค่อยตามไปค่ะอะมาค่อยศึกษาไใหม่ๆก็ยังอาจจะไม่เข้าใจเพราะข้อมูลมันเยอะอ่ะจริงๆพี่สาวเนี่แหละค่ะพระอาจารย์ที่เป็นคนพาหนุ่มาเขาเป็นคนทําให้หนู่ไปวัดทุกวัน ตอนที่อยู่อเมริกาค่ะเพราะว่าอตอนปีที่แล้วอ่ะเขาพาหนูไปว่าทุกวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์หนูก็เลยชินว่าอเออมันรู้สึกดีต่อจิตใจจังพอหนูกลับไปอเมริกาหนูก็เลยเอามั่งก็เลยได้ถามแล้วก็พี่สาวเนี่ยแะคะที่พามารู้จักที่พาไปชนบุรีครั้งแรกเมื่อประมาณปีกว่าแล้วมั้งคะแล้วหนูถึงได้แบบอชอบจังเลยพระอาจารย์นคนนี้แล้วก็หนูถึงได้มาติดตามม่น หนูว่าเดินตามรอยเขาอยู่แต่เขาก็เงียบเงียบไม่ค่อยก็เพื่อนค่อยปรากฏตัวเป็นเพื่อนในายธรรมกันญาณะเมศกันใช่ค่ะค่ะพี่พระเจ้าบอกว่ามีเพื่อนเพื่อนนายธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีเกื้อกูลกันสนับสนุนกันโอเคตามกาแต่ทุกข์ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อคุณฝนเลยใช่ไหมอ่อเป็นฝนจน เห็นก้าผมที่ว่าโกนผมแล้วมองไม่เห็นเห็นแน้าผเห็นแน้าผใช่มมาเจอแล้วค่ะจะกลับเรียนพระอาจารย์เรื่องที่อาทิตย์ที่แล้วหนูที่กะก่อนหน้านั้นเรียนพระอาจารย์ว่าจะไปอแจกทุนการศึกษาเด็กเจ้าหาที่โรงเรียนวัดนะคะก็ไปแจกมาแล้วก็สี่สิบกว่าทุนแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันซื้อครีสปี้ครีมไปแจกเด็กๆเขาก็ ดีใจมากค่ะแล้วหนูก็ได้มีเข้าไปพูดคุยสอบถามว่าได้ทุนไปเราจะเอาเงินไปทําอะไรเด็กๆ เ, เขาก็ความซื่อนะเขาก็บอกเขาโจนเขาจะเอาไปเดียงพ่อแม่หนูฟังแล้วก็แบบว่าเออรู้สึกแบบดีใจที่เราได้มีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของเขามันดีขึ้นถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นเป็นปลื้มอะคะ่ะพระอาจารย์ก็มีความสุขอะคะ่ะพระอาจารย์การให้นะนําความอิม่มเอิใจมากับแล้ว เวลาได้มันไม่ม <sage send> ีความรู้ส <Maple> ึกแบบเหมือนกับเวลาที่เราให้นะไม่ไม่เหมือนกันเลยเจ้าค่ะเพราะว่าขนาดอันนี้หนูก็เป็นเหมือนเป็นสะพานบุญนะคะให้กับพวกกัลยาณมิตรเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นำไปแต่ว่าก็ก็ความรู้สึกที่มีความสุขมันแตกต่างกันกับตอนตอนที่ได้มาเพราะความอยากค่ะมันมันความสุขมันปั๊บเดียวแต่ว่ามันมันไม่เหมือนกันนะคะความไม่มีวามอิ่มเอใจ เวลาให้นมันเกิดความเอิบๆใจขึ้นมาใช่เจ้าค่ะก็ก็มีความสุขกับการให้แบบเนี้เจ้าค่ะผ่าจันแค่นีุ้กครั้งที่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยก็เอาเงินไปทําบุญแทนทำทานแทนดีกว่าความสุขที่ได้จากการซื้อของฟุ่มเฟือยมันปป๊บเดียวมัน น้ำมันไม่มีน้ำหนักไม่มีความเห่อยมือบใจมันกลับทำให้เราเหิวอยากจะได้ของเพิ่มเพิ่มอีกอันนี้ใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแต่ก็มีทั้งสองอย่างเจ้าค่ะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ก็สาภาพตามตรงเจ้าค่ะมีมีทั้งสองอย่างคือก็ชอบที่เป็นปก็ยังมีความอยาก่ะก็ยอมรับว่าความอยากค่อนข้างจะอยากทํานู่นอยากทํานีอานน่อยากได้นู่นอยากได้นี่เจ้ า, าค่ะก็มองเห็นความอยากเรารู้สึกว่าเหนื่อยค่ะ มันทําไมเอ็กความอยากมันเยอะอ่ะมันเยอะมาก จ, จนมันเยอะจนมันเหนื่อยอะค่ะพรออาจารย์มันไม่กดดันจิตใจเราให้นอนดินนอนใช่เจ้าค่ะมันมันดิ้นตลอดเวลาเลยคือมันเห็นนะเจ้าค่ะแต่ว่าเออก็อย่างที่บอกมันก็ยังควบคุมคือควบคุมพยายามจะควบคุมชไม่ได้ช่วย่พยายามจะสู้นะคะยิ่งสู้มันก็เหนื่อยอะค่ะมันมันสู้มันเหนื่อยค่ะก็ต้องธรรวลาต้องสู้ไปจนกว่าใครจะพ่าคาชนะไปข้างหนึงมันจะหายเหนื่อย ใช่ค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้ก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์นิดหนึ่งพอดีอาทิตย์ที่แล้วหนูก็ลองฝึกนั่งสมาต์เออคือหนูนั่งสมาธิใช่ไหมคะแล้วหลังๆเนี้ยหนูจะปิดไฟนั่งให้มันมืดๆไปเลยอะคะ่ะเพราะว่าอยากจะฝึกเรื่องเกี่ยวกับคือความกลัวด้วยอะไรด้วยทีนี้พอนั่งในห้องนอนปิดไฟมืดก็เริ่มไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็เฉยๆะคะ่ะก็เลยออกไปนั่งในพื้นที่โล่งบ้างแล้วก็แต่ยังไม่ถึงขั้นปิดไฟอะคะ่ะแล้วทีนี้มันอยู่ๆมันเกิด มันมีความกลัวค่ะพระอาจารย์พีนีพอจําได้ว่าพระอาจารย์เคยสอนว่าเหมือนให้ไปอยู่กับความกลัวดูค่ะจะได้ฝึกสติอ่ะค่ะหนูก็คือหนูตัวส่วนตัวหนูเคยมีประสบการณ์เหมือนได้ยินเสียงข้างหูอ่ะค่ะซึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะเจ้าค่ะซึ่งแบบมันก็กลัวมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วมันก็เลยติดอยู่ตรงนี้มาตลอดทีนี้วันนั้นนั่งสมาธิเราก็กลัวกลัวกลัวที่จะได้ยินอะไรอีกแบบเนี้ยเจ้าค่ะพอยิ่งเกิดความกลัวเนี่ยหนูก็เลยใช้วิธี Focus, โฟกัสภาวนาอยู่กับการบริกรรมเอาการสวดมนต์อิติปิโสแล้วก็พุโทโธแบบเนี้ยไปเรื่อยๆๆค่ะแต่ถามว่ารู้ว่ากลัวไหมรู้ค่ะแต่ว่าไม่ได้กลัวถึงแบบโอ๊ยขวั น, นี้ดีฝ่อหรือแบบไม่นั่งแล้วสมาธิอะไรเงี้ยไม่ใช่เจ้าค่ะคือคือรู้ว่ากลัวแล้วก็พยายามจะโฟกัสอยู่กับคําบริกรรมตลอดนะคะทีนนี้เขารู้สึกว่ารู้สึกดีอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนว่า พอมันมีความกลัวแล้วพอเราพยายามที่จะอยู่กับคำบริกรรมเนี่ยมันมันมันมีสติมากขึ้นอ่ะเจ้าค่ะแล้วมันมันมีอยู่ช่วงนิดนึงอ่ะค่ะที่จะรู้สึกว่าสติมันแนบไปกับคำบริกรรมเลยอ่ะค่ะแต่ว่าแต่บางช่วงมันก็จะมีความกังวลกับเสียงกังวลกับอะไรก็ตามแต่หรือความคิดที่เข้ามานะาคะแต่ว่า อย่างที่บอกก็คือจะรู้แต่ว่าก็จะกลับมาอยู่กับคําบริกรรมตลอดนะคะพระอาจารย์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับส ง, งบอะไรแบบขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือพยายามจะฝึกต่อไปอะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูทําถูกหรือเปล่ามากลางทางแนละ้วอย่างนั้นเราก็ไม่ถอย<ม>เราสู <laughs> แ้แต่ว่าจิตมันยังไม่ไ ม, ไม่ไม่น่งเ <laughs> พราะเรายังเรายังบริกรรมน้อยไปหน่อยเราต้องพยายามบริกรรมให้ลืมเรื่องของความกลัวไปเลย คระพุทธเจ้าบอกเวลาไปหยุดนะที่ไหนที่เปลี่ยวที่น่ากลัวถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าจด้วยการสวดบทพุทธคุณก็ได้หรือบริกรรมพุทโธก็ได้อถ้ายังไม่หายก็เอาเราเิกถึงพระธรรมคำสอนหรือบริกรรมธรรมโมไปด้วยก็ได้ถ้ายังไม่หายกาย็เาพระสรรงฆ์งง อ, อีกอันหนึ่งจเจริญ อ, อันเนี้ยถ้าวันเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปหนูก็นึกถึงพระอาจารย์นะคะ ทีนี้หนูก็พยายามฝึกใช่ไหมคะแล้วทีนี้แต่ anyway พอมาอาทิตย์เนี้ยค่ะเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะสองสามวันเมื่นี้ยหนูก็สองวันนี้มาค่ะหนูก็ลองกลับไปนั่งในสภาพแวดล้อมเดิมแลค่ ะ, คะก็ไปนั่งแบบแบบเดิมสภาพแวดล้อมเดิมค่ะแต่คราวเนี้ยไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องความกลัวค่ะ ไม่ไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องความกลัวเหมือนอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็พยายามจะบริกรรมไปแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงกับสงบนิ่งเพราะว่าด้วยความที่เราอะ่ะมันมีความอยากเยอะมันดิ้นนะคะพระอาจารย์เราเราจะรู้เลยค่ะว่ามันไม่สงบอะคะ่ะแต่พอเรารู้เนี่ยเราก็จะกลับมาอยู่กับคําบริกรรมนะคะไม่ได้ไม่ได้ปล่อยใจแบบให้ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนะคะเพียงแต่ว่ามันบริกรรมไปแต่มันก็จะมีแบบว่า วัดวัดเข้ามาอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะแต่ว่าก็ก็รู้อะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ก็าา ก, ก, กสู้กันไปกับกับสิ่งนี้อ่ะค่ะก็ก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่พระอาจารย์สอนว่าอยากไปอยากให้มันสงบค่ะหนูก็หนุก็ไม่ได้อยากนะคะก็รู้แค่ว่ามีหน้าที่บริกรรมไปก็บริกรรมไปเลยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืมบางทีอากจะต้องเปลี่ยนที่ให้มันเจอของที่น่ากลัวมากกว่านี้มันจะได้บังคับให้เราบริกรรมมากขึ้นฝากเป็นสาตร์ตายไว้กับคําบริกรรม เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าหนูจะลองปิดไฟดูค่ะอนั่งข้างนอกคือนั่งข้างนอกหนูหนูไม่ได้ปิดไฟแต่ว่ามันเป็นพื้นที่โล่งมันก็จะมีความแบบวุ๊บว่าวุบว่าเหมือนคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องเพิ่มต้องเพิ่มน้ําหนักของความกลัวให้มากขึ้นมันจะได้สติยจงได้เพิ่มขึ้นตามตามความกลัวหนูก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะลองปิดไฟดูค่ะเพราะอาจารย์ครั้งหน้าอยากจะลองคือว่าตอนเวลานั่งไม่ได้หลับตาเนี่ย หลับตาเพราะว่าหลับตามันก็มองไม่เห็นอะไรแล้วจะปอดจะปิดไฟไมันก็มันจิตมันคิดไปเองคิดว่าเหมือนแบบเออแต่ลอยไปอย่างสว่างแล้วก็คิดว่ามันเหมือนมีอันนี้มันวุ๊คป๊ออะไรเดินไปดังเสียงอะไรเงี้ยค่ะคือคือแบบคือมันก็จินตนากรแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่กับสิ่งจินตนาการนะคะแต่มันก็มีความกลัวคิดว่าผีมันโกสานะโกสานะสว่างนะ ประมาณนี้เพราพื้นที่มันโล่งค่ะพอคืออยู่ในห้องนอนเนี่ยจะนั่งพิงพิงหลังเตียงไงคะก็รู้สึกว่ามีมีอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะไม่มีใม <laughs> ครงงก็ก็ยังเลือกโอเคค่ะแต่หนูก็เลยปิดไฟได้ในห้องนอนอแต่ว่าครั้งนั้นหนูก็เลยบอกอันนั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนหนูก็เลยลองไปนั่งข้างนอกที่เป็นพื้นที่โล่งดูงอะไรอย่างเงี้ยเพราะ ก็เออก็มันมีความกลัวแต่ว่าเดี๋ยวจะลองปิดไฟนะคับมันจะมาหลังขั้นมันบีบคอไปแล้ยยอมตายไปเลยวะ อ, อยู่กับพุโทโธไปหนูไม่ได้กลัวแบบหนูไม่ได้ก<ต>ลัว ม, มันบีบคอจิตรับโปร่งตันขึ้นมาหวนละวางขึ้นมากลั ว, วเสียงอะนี่เป็นของจริงเลยแหละบางครั้งยจิตมันหลอกเราเนี่มัน อันที่พูดเราผีจริงไม่เหล่าที่ผีเหล่าไม่จริงอ่ะคือคืออย่างที่บอกหนูมีประสบการณ์เรื่องเสียงมาค่ะพระอาจารย์แบบมันมันชัดเจนมากแบบมาพูดข้างหูหนูแล้วหนูกลัวแบบมันเป็นความกลัวที่ติดอยู่ในใจอะค่ะมาเป็นสิบกว่าปีแล้วแบบมาแบบคือมาพูดกระซิบข้างหูหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเป็นความกลัวก็เลยแบบค่อนข้างจะกังวลตอนนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ติดเราเองนะก็ซิ้บข้างหูเราเนี่ไม่มีใคร แต่มันมันพูดประโยคเดินสามขั้งเลยนะคะพราอจาัน<ม>คือหนูไปงานศพอะค่ะแล้วทีนี้งานศพเนี่ยนะเขาจัดกลางบ้านแล้วเขาเหมือนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์นะคะแล้วขณะที่หนู่แผ่เมตตาไปะคะ่ะคือสิกว่าปีแล้วนะคะเมืม่อหนูได้ยินเสียงแบบผู้หญิงมากระซิบข้างหูเลยว่าแบบให้แบบจุดธูปด้วยแบบหนาวเหลือเกินนะคะคือหนูตกใจมากแล้วหนูคิดว่า ค, คนที่อยู่ข้างๆหนูเขาแบบเขาล้อหนูเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็หันไปมองหน้าเขาบอกให้แบบอย่าเล่นอย่างงี้สิแบบ แบบมันมันมันไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รอเล่นระหว่างที่หนูคุยกับเขาแล้วปากกำลังขยับทั้งคู่ค่ะหนูก็ได้ยินเสียงกระซิบประโยคเดิมครั้งที่สองะค่ะพระอาจารย์ว่าแบบให้จุดทูบด้วยหนาวเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบตกใจแล้วพอหนูหันไปมองทางอื่นนะค่ะมันก็มันก็ปรากฏเสียงมาษะครั้งที่สามะค่ะประโยคเดิมหนูก็เลยแบบ เออเออก็แต่หนูก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะหนูก็ไม่สนใจนะคะพระอาจารย์เลไอย่างนี้ค่ะแต่เอนี่เว้ยมันก็อาจจะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันอเราอาจจะคิดไปเองหรือว่าต่อให้มันจะใช่ไม่ใช่หนูก็ช่างมันก็ผ่านไปแล้วไม่สนใจอะคะ่ะเพียงแต่ว่าพอตอนนี้เราต้องฝึกว่าแบบฝึกยังไงให้เราแบบไม่เอาจิตเราไปปรุงแต่งเรื่องเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็สติเนี่ยพุนโธไปถ้าเรามีอยู่พุโทโธมันก็ไปปรุงแต่งอะไรไม่ได้ค่ะ หนูก็ต้องใช้ตรงเนี้ค่ะแล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าก็สวดมนต์ไปถ้ากิดแบบสวดมนต์ไม่อยู่ก็กลัวมา ก, ห น, ก, นกหนูก็นึกถึงพหนูก็นึกถึงพระอาจารย์เนี่ยหละค่ะนึกถึงคําสั่งสอนแล้วก็นึกถึงพระอาจารย์นะคะแต่ว่าเดียวครั้งหน้าจะลองดูค่ะแล้วจะมาส่งกันบ้านรายงานพระอาจารย์ว่าถ้าลองอปิดไฟแล้วไปนั่งเองข้างนอกเงียๆคนเดียวแล้วเป็นยังไงอ่ะค่ะว่าว่าว่ า, วาสงบขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์นึกแต่จะใช้ปัญญาก็ได้ว่าคนเราทุกคนแก่มาแล้วก็ต้องตายกันทุกคน มันจะถึงเวลาก็ยอมตายไปถ้ายอมยอมอยจริงๆแล้วมันจะหายความกลัวมันจะหายตอนนี้ก็ฝึกนั่งเพื่อให้นั่งได้นานขึ้ น, นะคะ่ะคืออยู่เริ่มอยู่กับเวทนาได้แบบอาจจะช่วงระยะเวลาที่ ท, ที่ที่นานขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนที่ที่เมื่อกี้พระอาจารย์สอนว่าแบบให้ให้บริกรรมเอาแล้วมันจะเบาอ่ะค่ะหนูก็ใช้แบบพอมีเวทนามาค่ะหนูก็ พยายามไปอยู่กับคําบริกรรมเพราะว่าพอเหมือนช่วงที่เราอยู่กับคําบริกรรมมะค่ะเราจะไม่ได้ไปจดจ่อกับเวทนามันก็เลยเฉยๆค่ะมันก็ใช่ความอยากให้มันเวทนาหายไปมันไม่มีมันก็เลยเฉยแต่แต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่นี่คือแบบว่าจะจะจะจะผลักออกเลยค่ะคือแบบจะอยากออกไปเลยอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์แบบถ้าหลุดตรงแบบคําบริกรรมไปถ้าสติหลุดไปแล้วมันก็ปีเรศมันก็ออกมาทันที ใช่ค่ะก็ฝึกก็พยายามฝึกต่อไปจังค่ะพรอาจารย์ดีมากทักทึกจ้ะค่ะกล่าวขอบคุณพระอาจารย์ค่ะขอให้พระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงเจ้าค่ะอคุณนิสาเชิญคุณนิสาต่อเอลเวยลอสแอนเจลิสกรรมน้ำมัสการค่ะพระอาจารย์ขอเสียงแห้ง่สบายนะไม่สบายนะออกไม่ค่ะพอดีไม่ได้เป็นอะไรค่ะพระอาจารย์พอดีเป็นเป็นกดไหลย้อนค่ะแล้วเสี่ยงมันจะแห้งจัง อ็อาทิตย์ท right. ี limitation. ่ผ่านมาน่าจะอาทิตย์นี้ด้วยค่ะพระอาจารย์กลางวันไม่มีเวลานั่งสมาธินั่งเฉยๆแล้วค่ะพระอาจารย์ตัวดีที่บ้านแบบมีซ่อมแซมค่ะพระอาจารย์ก็เลยต้องวีนิวรเข้ามาค่ะพระอาจารย์ใช้ปัญญาพิจารณามันไม่เทียมมันสภาพเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ต้องปรับตัวเราให้เข้ากับความเป็นจริงอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่รูจะนานหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์ มันก็ไม่เที่ยงอ่ะมันก็ต้องมีมันก็ต้องต้องมีวันหมดถ้าทำทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปทําถ้าไม่อยากทําก็ไม่ทําไม่ได้มันก็ทุกข์ไปเปล่าๆเองค่ะพระอาจารย์แล้วก็แต่ว่าก็พยายามจะตื่นเช้ากว่าเดิมขึ้นนะคะให้แบบตอนเช้านั่งนั่งสมาธิได้นานกว่าปกติะค่ะพระอาจารย์อืพยายามค่ะก็ก็ตอนแรกก็เครียดๆนะคะเพราะว่า ช่างที่เขามาทำบางวันก็เทเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย <ừ> ์ก็ก็ต้องรับสภาพไปค่ะพระอาจารย์ใช้ปัญญาถ้าใช้สมาธิไม่ได้ก็ใช้ปัญญาพี่นาวมันมันเป็นอนัตตาเหตุการณ์เหล่านี้มันเป็นอนัตตาควบคุมบังทําไม่ได้ค่ ะ, คะก็ปล่อยมันไปจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นอะไก็เป็นเนขาจะทำอะไรก็ทำไป ค่ะอ า, าจารย์ก็ตอนนี้ก็บางทีกลางวันก็ช่วงกลางวันก็จะดูกายอะไรเงี้ยพยายามมีสติอยู่กับกายของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าเสียงมันมันดังค่รับจะนั่งแบบพยายาม<ถ>แล้วไม่ได้อาจารย์เสียงว่ามันก็เป็นอย่างเนี้ยเสียงเหมือนเสียงฝนตกฟ้าร้องอ่าเงี้ค่ะอาจารย์ห้ามันไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่มีเสียง มีก็มีอยู่กับมันไปค่ะพรอาจารย์แล้วก็บ้านก็จะแบบเลอะอะไรเงี้ยค่ะพระก็ต้องคลีนทุกวันพระอาจารย์ทำไที่เราทำได้แล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะอจนกว่างานจะเสร็จแล้วเราค่อยเอมาทํารอาจารย์แบบให้มันเรียบเรอยบไปทีเดียวค่ะพรอาจารย์ก็ตอนนี้ก็ได้จะอีกสัก สองอาทิตย์ค่ะอาจารย์เห็นเห็นเห็นช่างเขาว่าอย่างนั้นนะคะ mm hmm. แต่ว่าลูกก็ทําใจไว้แล้วค่ะว่ามันน่าจะต้องมันน่าจะนานกว่า น, นั้นนิดนึงค่ะอาจารย์ mm hmm. ก็จะได้เสร็จเสร็จก็จะได้เอาบ้านลิสต์ตก็จะได้ขายพระอาจารย์ hey, เดี๋ยวนี้เวลามีช่างมาทําบ้าน เ, เป็นคนไทยหรือเปล่าหรือว่าอย่างเปนฝรั่งทําอย่างนี้เป็นไม่อะค่ะเป็นเป็นแม็กซิการ์นะคะอาจารย์อ กคนไทยก็คนยังมีบ้างบางทีก็ทำมีค่ะมีค่ะแต่ว่าคนไทยบางทีคือแต่ก่อนก่อนหน้านั้นลูกก็ใช้คนไทยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือติดต่อแบบไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือเขาวางไม่ว่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเม็กซิกันเนี่ยคนแมมงนี่เขาเขามีเยอะมากกว่าค่ะอาจาติดต่อง่ายกว่าง่ายกว่าค่ะง่ายกว่าก็คือแต่ว่าถ้าเกิดใช้ฝรั่งนี่แบบมันส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะเป็นคน แพงค่ะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรเงี <iy. S 2> เ้ยเขาเขาไม่รับด้วยแล้วก็แพงเหมือนก็เรื่องเยอะอะไรเง uh. ี้ยแต่ที่แมทเขาก็จะแบบเขาถูกกว่าแต่ว่าบางทีก็บางทีเขาก็แล้วแต่อา ร, รมณ์อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์รตแต่ว่าก็ติคือถ้าดีเขาก็ดถ้าใครได้คนดีก็ดีอะค่ะอาจารย์คนนี้เขาแบบเขาขยันนะคะอาจารย์ที่ถามเลยเขาคิดว่าตอนนี้คนยังมีคนคนไทยที่มีอาชีพหลากหลาย มีค่ะอืมีค่ะคนไทยมีมีทําค่ะแต่แต่น้อยอะค่ะอืค่ะหายากก่อสร้างช่างไฟอ๋อตัดย่าไม่แทบจะไม่มีตัดย่าถ้าเป็นการ์เด้นนี่คือแม็กเขาปลองใช่ค่ะถ้าคนไทยก็ยังมีช่างไฟช่างก่อสร้างอะไรเงี้ยมีค่ะอืแต่ว่าก็ก็น้อยค่ะอาจารย์ที่เขาไม่ว่างอะไรนยค่ะออืืม โอเคถามันข้อมูลเฉยงค่ะพระอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติให้มากที่สุดค่ะคระอาจารย์มีสติคือท่องไว้เสมอว่าต้องมีสติค่ะพระอาจารย์ต้องปรับใจให้ให้รับกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะค่ะเราจะได้ไม่ทุกข์นะค่ะค่ะพระอาจารย์น้อมนำปฏิบัติค่ะพระอาจารย์รักษาธาตุแนะคะอ่าไปที่กุลูษานาราที่ว่าเป็น นมัต ก, การมค่ะพระอาจารย์เป็นงไงช่วงนี้โยมนั่งฟังมาตอนแร ก, แรกออตอนแรกคิดว่าตัวเองน่าจะไม่ได้อะไรเลยแต่พอฟังไปฟังไปเออก็ได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่า mm hmm. มันไม่ได้เต็มเหมือนกับตอนที่เราอยู่บนเขาอ่ะค่ะพระอาจารย์ื mm hmm. เพราะว่าตอนนี้คือพอทํางานใช่ไหมคะเราก็พยายามดึงมาอยู่กับการทํางานควบคุมตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้วก็แต่คิดว่าเอตัวเองมันไม่ได้อะไรเลยอย่างเนี้ยคะ่ะแต่พอฟังฟัง ก็ก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือจะใช้วิธีการตอนนอนค่ะอาจารย์จะจะเน้นตอนนอนพยายามภาวนาให้มากค่ะตอนนั้นแต่โยมก็คิดว่าเอาละเราจะต้องปรับปรับการทํางานหรือการนั่งสมาธิของเราให้มากขึ้นค่ะพม่อาจารย์อืตอนนี้ก็คือแบบละหลวมค่ะอาจารย์เราต้องมีความเข้มข้นต้องมีตารางเวลากลําหนดเวลาไว้ม่น เพราะว่าตอนนี้พอไปที่ร้านใช่ไหมคะงานมึงเข้ามาก็พยายามจดจ่ออยู่กับงานจะไม่ให้ไปฟุ้งพยายามจดจ่ออยู่กับงานพอกลับมาบ้านก็ต้องมาทําที่บ้านเนี่ยค่ะอาจารย์แต่ว่าที่บอกบอกนอนให้นอนหลับไปกับพุโทโธพยายามหลับไปกับพุโทโธหรือการดูลมคะ่ะแต่ตอนนี้คือโยมเพราะนัน่งฟังฟังน้องเขาพูดมาเราต้องปรับค่ะยังไงก็ต้องทําให้มากขึ้น ค, ะ ค, ะนค่ะพร <Okay. S 1> ะอาจารย์ดีออคไม่ไมีไม่มีอะไรนะค่ะ อาจารย์ท <Okay. S 2> ัดขันแข็ง น, นะคะขอบพรนะคุณค่ะคุณยินดยอยู่ที่แคนซัสสวัสดีค่ะท่านอาจารย์มไม่มีคําถามค่ะไมม่ีเข้าวนะามปัญญาเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์โอเคค่ะแล้วก็เดวิดเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ก็ฝากกลับค่ะท่านอาจารย์กระบอลช่องเต้เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ขอบขอบคุณไปนะ ค่ะ่ า, าทุกค่ะขอบพระคุณท่านยานะสูงค่ะอ่าจารย์พรหมพิไลยกอธรรมเป็นยังไงตารรมนักแสดงพระอาจารย์ค่ะคุณอนุพูนค่ะกาลังมาแล้วค่ะก็สบายกันดีค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะอ่าสบายดีทุก อ, อย่างเรียบร้อยแล้วนักแสอาจารย์ครับอ่าเป็นยังไงอาจารย์หน้าคงได้ไปกราบพระาอาจารย์อืมเชิญรย์อาารย์มา ตอนค่ะเป็นไงตอนนี้ร่างกายแข็งแรงทำานได้เรียบร้อยดีครับอได้ลาลาลาได้รับพลังจากพระอาจารย์ค่ะอจิตใจสบายก็ร่างกายก็เลยสบายด้วยค่ะอทำใจสบายวันใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าใจดีแล้วทุกอย่างก็ดีตาม ท้าใจไม่ดีทุกอย่างมันก็นไม่ดีไปหมดเกาฟังจากน้องๆทัง้งหลายที่สนทนาธรรมเมื่อกี้นะคะก็ได้รับรู้รับทราบได้ปฏิบัติเราก็ได้พบกับสภาพความจริงนะคะว่าใจสำคัญที่สุดถ้าเราตั้งอุเบกขาได้ดีใจที่สงบ ค, <ป>ค่ะใจจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยถ้ามีอุเบกขา ก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะเราสงบกันได้ถึงขนาดนี้ก็น่าจะมีมีสติมีสติคอยควบคุมมีปัญญาคอยสอนใจให้ปล่อยวางค่ะอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากก็พร้อมรับว่าใครคนใดคนหนึ่งจะอยู่คนเดียวก็เป็นไปตามัธค่ะค่ะยินดีตามมีตามเกิดใช่ค่ะ เมื่อมีล้วในวันเรามาเราก็มาคนเดียวเดี๋ยวเราไปเราก็ไปคนเดียวค่ะแต่ก็ติดกันมานานมากค่ะอ่าเป็นปานต้องโก้ละเรื่งนันมานานมากเดี๋ยวก็จะถึงวันใกล้วันที่ได้อยู่ด้วยกันมานะคะตั้งโอ้หลายหลลปีมากมันก็เป็นธรรมดาอย่างที่เด็กเที่ยอยู่ทั้งวันแล้วมีการพักพักจากกันเป็นธรรมดา ่นี่คือข้อสอบของพวกเราทุกคนที่จต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันครับถ้ามีความสงบสามารถทํำใจสงบได้แล้วไม่เดือดร้อนรับประกันได้ดีที่สุดกับแฮปปี้ที่อยู่คนเดียวนี้ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องกังวลกับใครใช่ใช่ใช่ะแต่ไม่เป็นไรหันอยู่ด้วยกันก็ดีเราอยู่คนเดียวมาทั้งสี่สิบปีเนี้ยแล้วห้าสิบายไม่รู้สึกาสิบไม่ต้องวุ่นวายอะไรกัใช่ไล ใครจะเป็นใครจะตายเราไม่ได้สนใจไม่ได้เดือดร้อนะค่ะค่ะพอเมื่อไรที่ได้ขึ้นเขาสมัยก่อนที่ขึ้นเขานะอยากจะไปทุกเดือนนะคะอืมมันเสบายจริงๆขึ้นเขาไปสมัสยที่สมัยนู้นนะที่ยังไม่ได้คนขึ้นเยอะเงียบเงบสบายแล้วให้เวลาที่นูน่นให้ร้อยเปเซ็นไม่ทําอื่นเลยมันก็มีความสุขม า, มากๆแบบอยู่คนเดียวเนต่อไปแล้วต้องอยู่มันเดียว อยู่ยนี้อยู่บ้านอยู่คนเดียวก็มีความสุขมาค่ะอ่าทําไม่มีใครอยู่มันไม่มีอะไรมาปวนนะคะไม่เงาไม่เศร้าไม่ค่ะดีก็เดี๋ยวไปรับพลังจากพระอาจารย์อาจารย์น้าค่ะอาจารย์ค่ะพระอาจาจะชาติแข็งแรงมนะคะสาธุค่ะอไปจะขึ้นแปมอัจฉริยะขึ้นแปม ร้องกรมน้ำมัศการพระอาจารย์เจ้าค่ะ อ, อ่มีอะไรไหมเ อ, อ่อลูกรายงานที่ไปปฏิบัติธรรมเ อ, อ่อบนเขานะเจ้าค่ะออบนเขาชีโอลูกไป3ามวันสองคืนก็สงบดีอยู่ได้ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึก ก็ก็มีกลัวค่ะด้วยความกลัวลูกก็เปิดผ้าม่านแล้วก็นั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเปิดผ้าม่านไว้ก็รู้สึกดีเจ้าค่ะที่ที่ที่ไปถ้ามีโอกาสลูกครั้งหน้าลูกจะไปสักห้าวันลูกคิดว่าน่าจะคนหน้า ไ, ไปแล้วติดใจนะแล้วมันจะเพิ่มวันเนียว่าไปบ่อยขึ้นความสงบเนี่ยมันเป็นพลังของใจ เป็นความสุขของใจไม่มีความสุขอย่างใดชื่อความสงบ ข, ของใจความความสุขที่เกิดจากความสงบ ข, ของใจได้นถ้าไปได้เมื่อไหร่ไปเลยถ้ามีที่ว่างมีห้องห้องว่างก็ไปเลยลกค่ะแต่วันที่ลูกไปคืนแรกมีมีมีคนปฏิบัติธรรมอยู่คนหนึ่งแต่คืนที่สองคือลูกดูไม่มีใครเลยเใช่ปะ รูคิดว่าความกลัวนี่ดีเจ้าค่ะทําให้ทําให้อยู่กับพุทธโทธได้ตลอดเจ้าค่ะใช่มันบังคับเราไงไม่ให้คิดเกลียดถ้าเราอยู่ที่ปลอดภัยเราก็คิดเกียดพุทธโทธเหมือนกันถ้าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่กินยาแต่ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องเลบกินยากันเหมือนกันใจถ้าไม่ทุกข์ก็จะไม่มีพุทธมหาพุทธโทธพอเริ่มทุกข์เริ่มกลัวก็ต้องมีการหาพุทธโทธแะ ลูกมีคำถามคำถามหนึ่งเจ้าค่ะคำที่ว่าหลบเข้าสมาธิเจ้าค่ะก็ถ้าเรายัางใช้ปัญญาสู้มันไม่ได้เราก็ต้องหลบเข้าสมาธิไปก่อนใจจะได้ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้เราวุ่นวายใจพอเราเข้าหลบเข้าไปในสมาธิเรื่องเรื่องวุ่นวายภายนอ ก, ก็มันก็ไม่ตามเข้ามาในสมาธิแต่เราไม่ช้าก็แล้วเราก็ต้องออกมาเจอเรื่องวุ่นวาย ในเวลาเจอ ว, วุ่นวายเราอยากจะไม่ต้องหลบเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรื่องราวต่างๆเป็นอนัตตาเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเก็ได้เป็นอนนี้จังไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนเราต้องอยู่กับมันไปอย่าไปหนีมันอย่าไปอยากให้มันแน่นอนอย่าไปอยากให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา ก็ควบคุมบางคั้ไม่ได้ก็ป่อยไปเช่นร่างกายของเราบางทีมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วก็บงังคับมันไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าใช้ปัญญาได้ก็ไม่ต้องหลบเข้าสมาธิถ้ายัางใช้ปัญญาไม่ได้ก็ถ้ามันทุกข์มากๆ ก, ก็ควรจะหลบเข้าไปในสมาธิชั่วข้าวเลยหรือแ <Okay. S 1> ม้ไม่ทุกข์ก็ต้องฝึกสมาธิอยู่นี่ต้องเข้าสมาธิอยู่เรื่อย เพราะการจะใช้ปัญญาแล้วต้องมีสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนถ้ามีปัญญาแบบไม่มีสมาธิก็ทําทําใจไม่ได้อยู่ดียังสมาธินี่เป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องกังวลเจ้าค่ะไปอยู่แบบนั้นไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกเศร้าไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเจ้าค่ะอยู่ได้มีควา ม, มสุขดียอดีโอเคนะมีอะไรไหม มีเท่านี้เจ้าค่ะวันนี้มีเท่านี้เจ้าค่ะน้อมนําปฏิบัติค <Okay. S 2> ำสอนเจ้าค่ะท่านไปที่คนณิดยาอ่า ท, ที่ว่าอยู่คนละบ้าน ก, กับแม่เลย น, นี่อยู่คนละห้องกันมาสการค่ะพระอาจารย์อยู่คนละคนละบ้านค่ะ อ, มอไม่เหงาเลยอยู่คนเดียวไม่เหงาเลยไม่เหงาค่ะพระอาจารย์ก็แต่ว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ใหม่เพราะว่าคุณพ่อผ่า ค่าตัดตาแล้วค่ะก็คุณพอแบบว่าน่ากลัวได้ค่ะพระอาจารย์ <c oughs> แต่ว่าพอเรารู้ว่าเป็นน่ากลัวได้ค่ะพระอาจารย์ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพอเรารู้ว่าเป็นเป็นลิงเราก็เฉยเฉยค่ะมันก็เลยเห็นเลยค่ะว่าอ๋อจิตพุ่งแต่งมันพอเรารู้ว่าเป็นลิงเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเรา <c oughs> จินตนาการไปไกลมันก็จะหวาดทัวมากมากเลย <c oughs> ค่ะพระอาจารย์ก็เจ็ตร้อนจิตหล่อค่ะพระอาจารย์ แล้วก็จ ร, จริงๆที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์สามเดือนที่ผ่านมามีข้อสอบเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ถามพระอาจารย์เพิ่มเพราะว่าอยากจะใช้ธรรมะที่พระอาจารย์สอนนี่แหละค่ะเอามาลองปฏิบัติดูค่ะอ่าต้ใงพยายามใช้ใช้ปัญญาของเราในกาไปถามคนอื่นใ<บ>า่ทำไมถามคนอื่นมันไม่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาสำหรับเรา แล้วก็ลองผิดลองถูกค่ะเพราะพระอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนวิธีมันไม่ได้แบบผิดอะไรมันไม่ได้ผิดบาปอะไรค่ะพระอาจารย์หนูก็ใช้วิธีนั้นลองแล้วมันทําให้เพิ่มความมั่นใจไปด้วยค่ะว่าออวิธีวิธีนี้ไม่ลองก็ลองปรับเปลี่ยนไปค่ะพระอาจารย์แต่ว่าขอถามพระอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะเพราะว่ามาย้ายมาออฟฟิศใหม่ใช่ไหมคะจะต้องหนูต้องติดต่อกับผู้รับเหมาค่ะแล้วจะถามเรื่องยอมหยุดเย็นนะคะพระอาจารย์คืออ่าผู้ หนูจะพูดรับเหมาเขาไม่ยอมคืนเงินมัดจาหนูอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกหนูก็กะว่าปล่อยไปเลยค่ะที่งเงินมัดจาไปเลยแต่เพราะว่าคิดว่าพูดกับเขาแล้วเขาไม่รู้เรื่องะคะ่ะเขาไม่ยอมคืนพูดได้เหตุและผลหลายๆอย่างเขาก็แค่มันเขาก็เหมือนขึ้นใส่หนูก็เลยคิดว่าปล่อยออกมาเลยแต่ว่ามีเหตุการณ์คือเพื่อนเขามาบอกว่าจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของเราเราไม่ เราไม่ได้ผิดอะไรถ้าเราจะไปขอเจรจาว่าขอในส่วนนี้ส่วนนี้ได้ไหมอย่างนี้ยค่ะหนูก็เลยลองไปอีกรอบหนูเลยลองไปอีกรอบนึงค่ะแต่ว่าคือปล่อยว่าลองไปอันนี้รอบสุดท้ายลองใช้เหตุแล้ะผลจะเขาดูแต่ว่ามีเพื่อนไปช่วยพูดด้วยนะคะแล้วก็ลองปล่อยว่าถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันค่ะแบบนี้เราเรียกว่าเรายอมหยุดเย็นไหมคะพระจันทร์หรือว่ายังไงคะถ้าด้วยเหตุก็เรามีสองสองขั้นตอนไง ขั้นตอนแรกถ้าเรายังดําเนินการแล้วได้เราก็นำดำเนินการไปอเอาไปถึงขั้นที่เรารู้ว่าดำเนินการอะไรไม่ได้เราก็หยุดได้ยอมหยุดยั้งเราจะไม่ดันทุลังเไมนขั้นตอนนี้ไม่ได้เราไปพึ่งทางโน้นหาวิธีอื่นจ้างทางนายความมาฟ้องร้องมาเล่นทําอะไรกันนี้มันก็เป็นการต่อสู้กันนม่สดาเนี่ยถึงกัาไม่ยอมต้องเอาให้ได้ต้องอาชนะให้ได้ อยากแพ้ชนะกันแต่ถ้าเราดำเนินตามขั้นตอนนี้มันมันมันเป็นเสร็จของเรามันเป็นธรรมดาในเบื้องต้นเรว่าเราก็ดําเนินการไปตามที่เราคิดว่าเราควรจะทําไปแต่นี้ถ้ามันไม่เกิดผลขึ้นมาเราเราเห็นว่าไม่สามารถดําเนินการต่อไปโดยที่ไม่ไปสร้างเวทีสร้างกรรมกันได้เราก็หยุดดีกว่าคือ ท, ทําบุญทำทานไปแล้ว เ, เขาอยากจะได้ไกายเข้าไป เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ค่ะก็เลยตอนที่เพื่อนเพื่อนไปเจราจาให้หนูก็นั่งทําใจแล้วค่ะว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันมันมีความสุขกว่ามากค่ะพอาจารย์ว่ามันมันใจเราจใจเราเย็นใจเราเย็นใจเ ร, เจเรสบายไม่เดือดร้นอนแค่ลองทําแบบไม่ให้ค้างคาใจเท่านเองค่ะคะความเย็นใจในี่ความสบายใจนี่มีคุณค่าราคามากกว่าสินทรัพย์ที่เราเสียไปนะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้วางได้ขนาดนั้นหรอกค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันยังมีกั๊กๆอยู่ค่ะพระอาจารย์บางทีมันเหมือนสติกับอกิเลนานมันไม่ยอมมันไม่ยอมใช่ค่ะบางทีแบบเ <c oughs> พิ่มาอักลองปล่อยให้ร้องไห้สักพักหนึ่งก็แบบอยากจะร้องแต่ใจอีกใจหนึ่งก็ร้องทําไมเอาเหตุและผลมาแบบเขาสู้กันของเขาเองค่ะวแบบ่าเหตุมเพื่ออะไรล่ะก็ร้องไม่ออกค่ะพระอาจารย์ก็เลยอ๋อโอเคอสงสัยสเ ต, ตออทนี้เขากำลังสู้กันอยู่ก็ ก็มองความจริงไปค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องมีอีกเรื่องค่ะอาจารย์สารภาพกับพระอาจารย์แต่ว่าได้ข้อคิดแล้วค่ะว่าพระอาจารย์บอกว่าศาสนาพุทธไม่ให้ขอใช่ไหมคะมีอยู่ช่วงนึงหนูไปไปขอไปบนมาค่ะพระอาจารย์แล้วก็แต่ว่าทุกครั้งที่บนสองครั้งเนี่ยได้หมดเลยหนูก็คิดว่า เอ๊ะตอนแรกค่ะพระอาจารย์คิดว่ามันไม่น่าจะผิดอะไรเหมือนไปขอผู้ใหญ่แล้วถ้าเขาช่วยก็ดีแต่ว่าพอครั้งที่สามที่รู้สึกว่าอยากจะขอนูแล้วรู้สึกว่าอ๋อความอยากมันขึ้นมาค่ะพระอาจารย์อ๋อปัญหามันคือเราอยากอะค่ะพระอาจารย์อ๋อพอเราไปอยากปุ๊บต่อไปมันก็อยากไม่มีที่สุดใจแล้วเราจะต่อไปเราจะพึ่งต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลาเลยสิทาไม่ได้ทำไมไม่ยอมรับมันละ่ะถ้าแค่นี้ไม่ได้แล้วเราต่อไปเราจะไปทําอะไรรอดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ หนูก็เลยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองพระครูสต้าสอนให้เราแบบพึ่งตัวเองให้มันมีกําลังนะคะพระอาจารย์หนูเข้าใจแล้วะคะ่ะพระอาจารย์ใช่ก็เลยเราเขาไม่แน่นอนบางทีเขาก็ให้เราพึ่งได้บางนี้เขาก็ไม่ให้เราพึ่งเนี่ยอัตัยอัตโนานาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนอาจารยตอนนี้ก็เดี๋ยวยังไม่ ไม่ได้ที่ผ่านมาค่ะไม่ได้นั่งสมาธิเลยค่ะพระอาจารย์คื อ, อเวลาที่มีปัญหาเขากิเลสมันรู้เลยค่ะว่าเบรกมันทำงานไม่ได้ค่ะเขากดกดก ด, ดดันเรามากๆหนูเลยใช้แค่วิธีดูลงหายใจก่อนนอนแล้วก็บางอย่างที่เขารู้สึกว่าแบบไม่อยากพอจะนั่งสมาธิเขากดทำให้เรารู้สึกเครียดมากๆค่ะหนูเลยมองออไปว่าอ่ะถ้าสมมติอยากจะไป ดูโทรศัพท์ลองดูซิสองวันถ้ามันแก้ได้มันหายทุกมันจะตีขึ้นแต่ถ้าไม่หายแสดงว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลมันก็ค่อยๆเริ่มต่อต้านน้อยลงอะค่ะเริ่มค่อยๆต่อต้านน้อยน้อยลงไปเองแล้วทําให้เราเริ่มกลับมาตั้งสติได้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็พจะพยายามสู้กับมันต่อไปค่ะแล้วก็จะหักนั่งนานๆให้มากขึ้นค่ะพอเจอบททดสอบแล้วมันยากยากจริงค่ะพระอาจารย์ถ้ามีสมาธิมันจะง่ายขึ้นใจเราจะเย็นะ โอเ ค, คสาธุนะอ่าท่านต่อไปคุณสันนีแบงคอบเชิญกรนมัมสการค่ะพระอาจารย์หนูได้เอ่อถือสินแปดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งอะค่ะที่เคยเอ่อกล่าวกับพระอาจารย์ว่าจะพยายามถือสินแปดให้ได้ทั้งเดือนค่ะ ถือมาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ออตอนแรกตอนที่ถือแรกๆคิดว่าจะยากตรงที่การกินอาหารเพราะว่าตัวเองเป็นโรคกรดไหล ย, ย้อนนะคะถ้ากินไม่ตรงเวลามันจะแสบร้อนกลางอกขึ้นมามากแต่พอแบบปฏิบัติต่อกันยาๆจริงๆแล้วอันนี้มีอาการอยู่บ้างแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาเลยคะ่ะสามารถสามารถอดข้าวเย็นได้คะ่ะแต่ว่าที่ถือมารู้สึกว่า จะมีปัญหา ก, กับการติดมือถือคะ่ะพระอาจารย์ยังเหมือนแบบอยากดู youtube บางทีก็แบบเปิดไปดูข่าวบ้างอะไรอย่างนี้บ้างคะ่ะพระอาจารย์อย่างนี้จะแก้ไขยังไงดีคะก็อย่ามีมือถือสิใช่แบบใช้แบบที่ไม่มีพา ม, มีแบบโทรเข้าโทรออกได้ก็พอพอดีว่าต้องใช้ทํางานด้วยก็เลยยังละไม่ได้เลยค่ะก็ต้องก็ต้องมีกฎระเบียบสิกฎบังคับ แจะมีไว้สําหรับใช้ทํางานถ้าไม่ใช่งานอย่าไปแตะอย่าไปเปิดอย่าไปยื่นค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวสัปดา ห, ห์นี้จะลองลองลอ ง, ลองเข้มงวดเรื่องการดู ม, มือถือให้มากขึ้นค่ะจะใช้จะพยายามใช้เฉพาะเวลางานแต่ว่าดูธรรมะฟังธรรมะได้ใช่ไหมคะ่ะได้ได้แต่ระวังเดี๋ย <Cheese> มันจะกลายเป็นทำเมาไปวังไปฟังมาเปลี่ยนช่องได้ใช่ใช่ค่ะมันเปลี่ยนเองด้วยนะคะพระอาจารย์ เปลี่ยนไปช่องแบบ The Ghost อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เคยดูแต่ก่อนอืมต้องต้องมีมีมาตรการคอยป้องกันมันฉลาดมากเลยค่ะมือถือแบบออยยย่่าาปลลเตมส่งเสริมกิเลสมากเลยค่ะอาจารย์โอ้แม่แรงเดียวเด็กสองขวบเด็กคนมันยังนั่งเล่นมือถืออยู่คนเดียวใช่ค่ะพระอาจารย์ พอแม่ไม่ไม่ว่างเลยมันงงง่าก็เลยให้เอามือถือให้มันเล่นมันก็เลยนั่งดูเล่นมือถือไปคนเดียวไม่อาดูของพ่อแม่แต่มีผลเสียกับเด็กมากเลยนะคะพระอาจารย์มันติดมันติดตั้งแต่เด็กครับเอาเวลาวันไหนอยากเลเล่นไม่ได้เล่นมันก็โกรธนะอแล้วก็ยาเสพติดมันยาเสพติดจริงค่ะพระอาจารย์แบบูยาเสพติดที่เลิกเลิกยากจริงๆค่ะ เข้าใจคนที่ติดยาเสพติดเลยค่ะอืม <c oughs> แต่ก็จะพยายามต้อง <t> ต้องเห็นถ้อยของมันเห <t> ็นถ้อยของมันแล้วพยายามเลิกเสียใช้เท่าที่จําเป็นนะใช้มันมีคนมีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษเหมือนกับมีดนะเราใช้มีดแล้วก็ต้องระวังระวังว่วาใช้ไปในทางที่ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เอามาทิ่มแทงตัวเราเองค่ะพระอาจารย์เอ่อแล้วก็มีคําถามหนึ่งคำถามค่ะ เอ่อถ้าถ้าถ้าเราถ้าสมมติเอ่อถ้าหนูเจอเสือคะ่ะพระอาจารย์หนูควรจะบริกรรมพุทโธตั้งสติบริกรรมพุทโธหรือว่าให้มองเห็นตามความเป็นจริงคะ่ะมันรู้เองอะถึงเวลานะั้นจิตมันพร้อมจะใช้แบบไหนมันรู้เองมันมนตอนนั้นมันมันมันคนเชียงจะบอกยังไงมันไม่ฟังมันอยู่ที่ใจเราเดียวต้อง พละสติปัญญาต้องออกมาแล้วเจะเอาแบบไหนนี่มาถนา น, น, นแบบไหนแล้วก็ใช้แบบนั้นไปคนะ่ะพระอาจารย์อันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอเสือจริงๆแต่ก็ออแต่ก็ถามไว้ก่อนค่ะเผื่อถ้าเจอก็มันก็มี <c oughs> สองทางใช้สติบวิญรรมพุโทโธไปไรือม่งจใช้ปัญญาถึงเวลาจะตายแล้ววันนี้ยามตายค่ะค่ะพระอาจารย์มีคําถามแค่นี้ขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะ อ่าตุนะอาคุณหมอภาสนาเชิญอาก่อนน้ำมาสการคะ่ะพระอาจารย์ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยนะคะพระอาจารย์เราล้ว ร, รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติทําแบบที่พระอาจารย์บอกจริงๆก็คือรู้สึกดีขึ้นแบบมันไม่เครียดล่ะสมัยมก่อนมันจะจ้องแบบว่าต้องจ้องแบบว่าเอาดาบชั ก, กอะไรตัวนี้แบบมันรู้สึกธรรมาชาติขึ้นนะพระอาจารย์แล้วก็ยังสงบอยู่อาจารย์ก็ยังปฏิบัติทุกวัน แล้วก็เดี๋ยววันนี้ในสันชิกใช่ไหยคะแล้วก็พรุ่งนี้วันพราเดี๋ยวไปหาพระอาจารย์ขับรถเองได้ไหมคะพระอาจารย์จะได้เห็นส่งกันบ้านด้วยตัวเลยว่าเนี่ยในสันชิกเราไม่ง่วงแล้วมันจะสว่างมันจะมีแรงพระอาจารย์ขับรถได้ค่ะเพราะเคยในสันชิกที่ที่ถ้าเต่าก็ก็ได้ค่ะระวังหลับอะไรกันนะระวังหลับอ๋อมีแรงเลยพระอาจารย์หรืยิ่งไปเจอพระอาจารย์ด้วยแรงเดี๋ยวพระอาจารย์จะเห็นพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวไปในสันชิกลอกลอกบ้านนะคะค่ะคุณสุภาพตาเชิญตอนนี้อยู่กอตามาใช่ไหม จากพรธมรดกพาการเจ้าค่ะการลูกอยู่กรุงเทพแล้วเจ้าค่ะอือยู่เมืองไทยกับอยู่เมืองนอกต่างกันเยอะไหก็อยู่เมืองไทยก็หน้าที่จะเยอะหน่อยคือต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกก็รับตอนบ้างเจ้าค่ะอก็ไปบรรยายบ้างอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็ก็ถ้าถามว่านั่งสมาธินอนรไมาแต่ลูกว่ารู้สึกลูกดีใหญ่หนึ่งคือลูกมีความเป็นส่วนตัวแล้วตอนเนี้ยเริ่ม เริ่มตะล่อมตะล่อมตัวเองเข้าเข้าที่เข้าทางในเรื่องของการปฏิบัติเจ้าค่ะก็ก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็โอเคอะ่ะเจ้าค่ะการใช้ชีวิตปรับตัวได้นะยอมรับทุกอย่างเจ้าค่ะเราต้องปรับตัวตามเหตุการณ์ความเป็นจริงรอย่ากปรยาดให้มันเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่เราอยู่ที่ที่เมืองนอกเนี่ยเจ้าค่ะ อาจารย์สอนเสมอว่าให้ยอมรับแล้วก็ให้นึกถึงกฎใจรักนะค่ะธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเบาไม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติไม่ได้เจ้าค่ะลูกล้อมนําคําสอนเสมอเจ้าค่ะวันนี้ลูกก็นั่งสมาธิหลายรอบอยู่วอดีมีเวลาก็นั่งว่างก็นั่งปุ๊บแล้วก็พอนั่นก็มานั่งเขียนงานแล้วเสร็จแล้วก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เจ้าค่ะไม่ทิ้งเจ้าค่ะอื ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำมาไม่ไม่ไม่พิงเด็ดคะ่ะเจ้าคะ่ะมีตัดเดินหน้าอย่างเดียวเจ้าค่ะอาจารย์ลูกขอถามพระอาจารย์อย่างหนึ่งเจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าบิพารจากที่วัดยานนะเจ้าค่ะมามาอยู่ที่เอ่ออาริงตันที่เท็กซัสชื่อวัดอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะทราบไหมเจ้าคะ่ะคอเราเพิ่งไปตั้งใหม่แล้วก็เคยมาปรึษกษาเราว่าจะตั้งชื่ออะไรเราก็บอกว่าตั้งชื่ออาริงตันฟอเร ส, สต์มอน a s t e ีไปแล้วกัน แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือเปล่านะเพราะเขายังติดคือเขามีก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลวงตาที่วัดป่ามานตาตอนที่เขาตั้งวัดครั้งแรกที่คาาหลวงตาเป็นผู้เป็นผู้สนับสนุนเขานตอนหลังที่หลวงตาท่านจากไปแล้วก็พาที่มาดูแลก็ไม่ไม่ได้มาทําตามเขาก็เลยย้ายจากคารานุมาอยู่ที่อลริเท็กซัสนี่ อาริตันใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าลูก<อ>ถ้าลูกเปิดถ้าลูกเปิด จ, จ, จะพอหาเจออาจจะไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันเพิ่งใบตั้งได้แค่ไม่กี่เดือนนี่เแล้วไม่รู้จดทะเบียนหรือทําอะไรเป็นทางการหรือยังไม่ทราบแล้วไม่ทราบว่าเขาจะใช้ชื่อนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อเจ้าค่ะแล้วภาพที่ท่านมานีท่านสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเจ้าคะอ๋อท่านเป็นคนอเมริการเปิดคนไทยแต่ไปได้ไปทางานที่อเมริการตั้งแต่เป็นหนุ่ม อันนี้ท่านเกษียนอายุ70แล้วน้อง69 70 mm. แด่มาบวชแล้วอยู่ที่วันยาได้5พรรษาตอนนี้าน้ากลับไปอ๋อเจ้าค่ะงั้นก็นจะสามารถที่จะ ส, ส่วนวัด น, นี่ก็ภรรยาเขาเป็นกรรมการเป็นผู้เป็นผู้จัดการ oh. อย่างกับเรื่องทรัพย์สิ น, นอะไรตา่างๆก็ฟังพราะว่าเหมือนอาจจะเป็นเป็น Family business ซะหน่อย <laughs> แต่ก็ไม่รวยนะแต่ตอนนี้ก็มีอยู่มีอยู่รูปเดียวที่อยู่ที่นีนที่อาร์ลิงตันแล้วก็มีคนไทยในละแวงนั้นก็ผัดกันเอาอาหารมราส่งทุกวันเจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวลูกจะลองรองลองถามคนไทยแถวนั้นดูนะถ้ารู้จักคนไทยแถวนั้นอาร์ลิงตันก็าจะรูยก็ได้เจ้าค่ะที่นี้เพื่อนของลูกที่ลูกเคยแนะนํามาเจ้าค่ะที่ชื่อดันเนียลมาเจ้าค่ะคุณดันเนียลเขาเขา เขาอยากจะศึกษาธรรมะมากๆแต่ด้วยปัญหาคือเขายังาหาพระที่พูดใช่เจ้าค่ะ <S <S เขารู้สึกผิดอัดใจมากเจ้าค่ะพระ อ, องค์นี้ท่านชื่อพระราชันท่านเป็นคนอเมริกันท่านจ้างอเมริกันท่านไปตั้งโรงแรมอยู่ที่อเมริกามาหลายสิบปีแล้วมีลูกเต้าเกิดที่อเมริกาเจ้าค่ะท่า น, นพูดออกจินได้เป็นเป็นคนอเมริกันท่านอยู่ที่นั่นนานทางาน เจ้าค่ะเขาก็ฟังฟังอ่าเข้าคลาสเอ่อเข้าซูมของผู้อาจารย์วันนังคารบางครั้งเขาก็เข้าแล้วก็บางอย่างเมื่อวานเขาบอกเขาก็ฟังแต่ว่าเขายังไม่ได้เขาเข้าฟังบางที่เข้า y ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เมื่อวานลูกลูกลส่งลิงก์ไปให้เขาลูกลืมส่งลิงก์ซูมไปให้เขาเจ้าค่ะเขาก็เลยไม่ได้เข้าซูมมื่อนเหมือันเดียวมันไม่ได้เปลี่ยนิุดท้ี่มันก็ไม่ได้เปลี่ยน ใช่เขาคงลืมแล้วค่ะเดี๋ยวลูกต้องย้าเขาแล้ววันนี้เขาก็ค่อนข้างจะบอกว่าเขาเขาอยากเรียนธรรมะมากมากเลยอยากศึกษามากๆแต่หาหาพระที่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษยังไม่ได้อ่ะเจ้าค่ะ mm hmm. เขาก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนท้อแต่เขาก็มีความตั้งใจอ่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยอยากทราบว่าที่วัดอาริณตันจะพอมีพระที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็ไม่อยู่เรื่องเดียวแต่คนนี้ท่านก็เป็นเป็นคนไทยแต่เป็นไปอยู่อเมริกาเป็นสัญชาติอเมริกันนะนะมันพูดพูยภาษาเก่งไม่ไม่มีปัญหาภาษาเราลองไปเราไปค้นหาดูท่าเจ้าค่ะแต่ลูกจะลองแนะนำเขาให้เขาลงไปสืบแล้วไปหาดูเจ้าค่ะเจ้าค่ะอาจารย์เพื่อนในทางธรรมเจ้าค่ะเราเดินทางธรรมด้วยกันล้ลูกก็ ยินดีสนับสนุนเจ้าค่ะใช่ยินดีดีกลาบนะจ้ะเจ้าค่ะโอเคคุณอรานงอาเชิญเมื่นไงเตรียมทั่วกระทินไหมครัอาจารย์น้ำศึกก็ไม่ให้าจารรู้จริงเกี่วันกี่วันาวัดไาวัดเทุกระถินนี่เขาจัดดีเขาจไม่ตรงกันนะใช่เพราทุกวีคเลยนะคะพระอาจารย์ ก็จะไม่ตรงกันใช่วันดวัดที่ก็เป็นสายเดียวกันนี้ก็จะจัดคิวกันเขจะไม่จัดซ้ํากันใช่ก็จะเหมือนเรื่องของคิวมันตาดกันเหมือนกันเขาจะไม่จัดวันเดียวกันวันตาดวันหนึ่งวันสาขาวันหนึ่งวันใช่ก็ก็ก็แล้วก็จะเหมือนกับว่าถ้าวัดหลวงตาจะเป็นวันแรกวันเออวันแรกวันแรกใช่วัดหลวงตาก็จะเป็นเสาแรก บางอันอันไหนไปไม่ได้ก็ฝากน้องๆไปร่วมทําบุญอะไรเงี้เหรือไปห้าก็ห้าวัดพอดีมันก็เป็นมันก็เป็นแค่ฐานนะละก็เป็นแค่ฐานก็เป็นทานนะคะแม่จะจะส่งไปส่งงานไปก็ได้จะไปด้วยตัวเองก็ได้มันก็ได้ได้ได้ฐานเป็นหนักครับนี่ก็เป็นเรื่องของทานแต่ว่าก็ก็พาพาพาทุกคนไปทําอย่างน้อยก็อย่างได้อยากให้ทีมได้มีโอกาสทําแล้วก็รู้ว่าถ้าเราไม่นําเขาก็อาจจะไม่เคยได้มีโอกาส เห็นอะไรแบบนี้ในบางคนนั่นนะทําอะไรก็ดีระบางคนอาจจะพอไปเห็นอจจะไรดีๆเข้าแล้วก็อาจจะติดใจก็ได้นะก็อย่างขนมอย่างต้องเล่าว่าอย่างโยมเอออย่างโยมน้าๆ น, น, น้องน้องของโยมแม่งี้ยไม่เคยไม่เคยแจกทานไม่เคยทํำลงทานเลยคระอาจารย์คราวนี้ยทุกๆงานโยมก็มนี่ก็จะออกลงทานคนที่บอกว่างั้นแบ่งหน้าที่หน่อยเพราะเราก็จะยุ่งเรื่องหนึง่งงั้นช่วยแจกสลบเปลาแจกอะไร ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่โยมน้าๆได้ไปทําอ้กลับมาเขาร้องผมร้องไห้ชื่นแบบเขาบอกความชื่นใจชื่นอกชื่นใจการให้มันทําให้เกิดความอิ่มหา ใ, ใจบอกว่าใช่มันไม่เหมือนเอาเงินส่งมาให้เรา<ๆ>เฉยๆแบบแบบนึงพ<ม><ม>องมาให้เขาเองอะ่ะเราจะเห็นสีหน้าเขารับซาลาเปารับไก่ ย, ย่างอะไรอย่างเงี<ม>้ยมาต่อแถวยาวๆอ๊กลับมาแล้วก็มาบอกว่าแบบชื่นอกชื่นใจมากมีความสุขมากไม่เคยได้ทำํำ<ม>แล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ ก็ดีอย่างน้อยเหมือนกับเขาไม่เคยได้ทําได้มาทําแล้วมีความสุขเราก็สุขจากตรงนี้เหมือนกันนะพรอาจารย์ว่าเออได้ได้เห็นเขามีความสุขจากการทําตรงนี้ก็เลยอ่ะก็ก็จะอยู่ช่วงเดือนหนึ่งไะอ่าก็เป็นมรคนายกไหมเป็นม่ไดเหมือนอย่างไงเป็นผู้นําทางนเป็นไกด์มรุเทนเนถ้อทําว่ามรคนายก แต่ก็เอาเอาแค่อย่างเงี้ยอาทิตย์ละวัดอาทิตย์ละวัดบางโมบางคนเก่งกว่านี้เนะี่ยพระอาจารยสามารถวิ่งเชา้าบ่ายแบบวิ่งเก่งเลยวันเดียวสามารถนี้โ ย, ยมไม่ไหวว่าเอาเท่านี้เอาเอาเท่านี้พอพอดีพอดีอดอเราก็จะได้แบบไม่ไม่ทุกเกินไปกับการที่มันจะกลายเป็นทุกเพระอาจารยเวลามันเกินกําลังอนะพระอาารย์โยงว่าต้องพอดีต้องทุก อ, อย่างต้องพอดีวัชิมาอปิปัธา มันอ่างสคัญมากมากเลยเพราะว่านงั้นเอาทําไปทํามาทําไมเราเป็นทุกข์เราไปหาเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกข์เองนี่อะไร น, น, นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญวันนี้ก็มีอะไรนะี่เขาสอบเข้ามาเขารู้ว่ามาขอความเห็นของโยมไปพอเอาบอกไปเสร็จเหมือนกับไม่ไม่รับฟังคือเสียงพัดจาย์เข้ามาเลยว่าก็เราให้ไปแล้วเขาจะฟังไม่ฟังเราก็าไม่ต้องไปเป็นทุกข์คือเหมือนว่าอุเบกขาพขึ้นมาทันทีแล้ว มันก็เชงัดนะอาจารย์ก็ย้งก uh ็ถามมาเราก็ให so ้ความห็นแต่เราก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเชื่อหรือฟังของสิ่งที่เราเสนอไปเพราะงั้นมันก็จะเป็นทุกจริงๆไดงอย่้่ถูกต้องไหมเราหรือรู้จลกทางเนี่ยเขามาเอาไปแล้วเขาจะไปโยนทิ้งถ้าเขาไม่ชอบกินก็เรือของเขาเองนะใส่มันจ้ากนะจางเขาไม่ได้ใช่คือถ้าเราไปมีความคาดหวังว่าเออถ้าเราบอก คุณต้องมาเชื่อมาฟังเรานะโอ้โหแบบถ้าเป็นตะก่อนคงเป็นทุกข์จริงๆอนะ่ะเดี๋ยวนี้คือเหมือนได้คําสอนจากพระอาจารย์มารู้เลยว่าเอออยากอยากได้ความเห็นเราให้ไม่แต่ว่าแบบเออไม่ไม่ฟังหรือแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบนําไปใช้ก็ไม่เป็นไรีก็เรามองจากมุมของเราให้มุมมองเราไปแล้วอะไรเงี้ยก็ดีมากอันนี้ทำตามสวยของเราสวยของเขาเราเราไม่ไม่สนใจเขาจะทํำยังไงรืร่องของเขาอืมแต่นี่อันนี้เป็นแบบสิ่งที่แบบ ดีจริงๆดีจริงๆมันทําให้แบบไม่ทุกข์จริงๆเราเห็นอันนี้เห็นผลมานานมากแล้วหลังจากแบบเออ่ได้คําสอนนี้มาใช้ในการทํางานเองในชีวิตประจําวันมีประโยชน์มากๆนะโยมสงสัยว่าเนี่ยแบบบางทีเวลามันวุ่นวงถึงว่าในชีวิตประจําวันเราวุ่นวายมากๆใจก็คิดแต่อยากจะไปวัดอันเนี้ยมันเป็นความผิดปกติไมครัมันแบบว่าเราไม่เข้าใจว่าเวลาเราไปวัดเนี่ยจะมีความสงบเกิดขึ้น พอเราวุ่นวายมาเราไม่เขาใจว่าเราก็คิดถึงบรรยากาศการไปวัดการไปอยู่อย่างสงบสงบอย่างเงี้ยมันก็ก็ไม่ปกติครับไม่ผิดปกติคนที่ใครไปวัดก็อยากจะไปวัดคนที่ใครไปเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวเป็นที่ผ่อนพักผ่อนใจขนเขออาไงแล้วทํางานวุ่นวายใจบางทีก็ขอหยู่สักสาวันไปเที่ยวฮ่องกงบ้างไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างก็หเหมือนกันนะว่าใช่แต่แทนที่จะไปเที่ยวเราไปวัดเราไปเที่ยวที่วัดแทนะ ม่ม <c oughs> าเความสุขจากควาสมสงบแทนใช่เัามรู้สึกเลยว่าโอ้โหแบบแบบเรานึกถึงความสงบที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นจริงๆว่าแบบจนกลายเป็นแบบเหมือนทุกอาทิตย์ต้องคิดถึงวัดทุกทีเลยเพะเวลามันแบบมีความวุ่นวายทางการงานทั้งโลกเข้ามาก็โอ้เวลาอยู่วัดนี่สงบจริงๆแต่อาจารย์ก็เรียนได้ถูกครับว่าบางคนก็นเลือกไปเที่ยวพักชื่อ ในข้างของก็ไว้เนี่ลยก็ยังปฏิบัตินะพราคะช่งวชงนี้ถึงแม้จะตรีนกระถินแต่ก็นั่งปฏิบัติทุกวันนะเพราะว่ามไม่ได้ต้องเริ่มเดินทางและเก็บเกี่ยวไปก่อนได้เราพยายามทําอย่างต่อเ น, นื่องขณะเดินทานงก็พยายามเจริญสติบ่อยๆใช่นั่งในรถเลยก็พยายามพยายามเนี่ยใช้เวลาช่วงนั้นน่ะให้เกิดกาน อาจารย์ก็เห็นคุณค่เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่พอยุ่งแล้วเราถอยลงไปอ่ะมันถดถอยจริงๆว่จาจะรู้ป่อนจะทํามันพอมันกลับขึ้นมาสู่จุดที่เราเป็นเจ็บเสี้ย <laughs> ก็เรียกาเจ็บเสี้ยวใช่โอ้ใช้ใช้กําลังนริงๆใช้เวลาด้วยเราก็เลยแบบโอ้เราไปปล่อยมันอย่างนั้นไม่ได้แล้ะเราต้องพยายามรักษาของมาเลยอย่างนั้นก็อย่ายให้มันถอยใช <s ign S 2> ่ล <s ign S 2> ้างกาวหน้าไม่ได้ก็อย่างมากก็อย่าให้มันถอยเลยใช่ค่ะอาจารย์ฮันนี้ก็ นั่นแหละก็ยังคงตั้งใจปฏิบตัติมุ่ง ม, มั่นปฏิบัติคะ่ะพระาอาจารย์สาธนะคะพระอาจารย์ลักษาะธาตุขันนะคะอสาธุคุณแม่น้องเหรนะียญสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะอ่าได้ยินจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ของหนูก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ของหนูยังออยัง อ, อยู่ในสภาวะ ร่างกายค่ะพระอาจารย์ก็คือปัจจุบันที่หลังผ่าตัดไปเนี่ยค่ะพระอาจารย์ก็เป็นการเหมือนฟื้นฟูค่ะอวัยวะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนนี้มาดูที่ผ่าตัดล่าสุดเนี่ยค่ะพระอาจารย์คือปกตินี่ยเส้นประสาทมันขาดไปแล้วคือมันมันตายมาหลายปีค่ะพระอาจารย์ก็เลยลองหมอก็เลยสั่งว่าลองกัดฟันอะไรเงี้ยค่ะ เพื่อกระตุ้นเส้นประสาทว่ามันจะฟื้นคืนไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนตัวของมิงก็ได้ปฏิบัติทําก็คือไม่ได้อะไรกับร่างกายนะคะจะฟื้นไม่ฟื้นไม่เป็นไรแต่ก็ลองดูว่ามันเหมือนการทดลองร่างกายของหนูเองอะค่ะพระอาจารย์ก็อยู่โดยโดยโด ย, โด ย, โดยหมอบอกว่ากัดฟันไปเรื่อยๆอะค่ะหนูก็เลยเสริมค่ะพระอาจารย์งั้นฟุตโทไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเหมือนมันไม่ได้มีความคิดแล้วค่ะพระอาจารย์แต่มันอยู่กับการต้องกัดฟัน ก็ตุ้นไปอย่างเงี้ยค่ะพร อ, อาจารย์หนูก็เลยว่าก็เขาก็กะระยะเวลายเนี้ยคะ่ะในระยะเวลาหกเดือนอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเราจะสามารถกู้เส้นประสาทที่มันตายไปหลายปีได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยถ้เป็นไรข้ า, าพร อ, อาจารย์ ถ, ถ้ากลับมาได้ก็ดีไปจะไดใช้างา น, นได้เจ้าค่ะพร อ, อาจารย์หนูก็เลยก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็เลยไม่ได้มีความคิด อะไรนะคะพระอาจารย์อยู่แต่การะ่างกายเนี่ยแหละค่ะกัดกัดก็เหมือนพุทโธพุทุมทูลอี่ยค่ะพระอาจารย์คือคุณหมอบอกว่าให้ทําตลอดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็กัดฟันกัดฟันกัดฟันไปอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ดี่ทำพร้อมสองอย่างพร้อมกันเลยทําทั okay. ้งกายทำทั้งใจไใจชอบอาจารย์ก็เลยไม่มีความคิดอะไรเลยอยู่แต่ร่างกายเนี่ยค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอลาถึง อา่าดูนะกับพระอาจารย์ขอบพระคุณต่อารอ่นดค่ะคุณแนนอุดรธานีน้องก่าหนามาสการ์หน้าระาได้มีคาถามเจ้าค่ะโอเคยนไปที่คุณมาริกาต่อคุณมาริกาอาที่ว่ากลับน้ามาสการ์เจ้าฝาให้อาจารย์ก็จากก็ว่าถูกแบบทดสอบที่สอบที่ถามพระอาจารย์ในอาทิตย์ที่แล้วนะเจา้าค่ะ ก็พอาจารย์ก็ได้เตือนสติดังนั้นเมือ่อเท่นี้ก็โดนทดสอบอีกแต่พอได้สตินะคะถ้าพรอาจารย์ว่าเมื่อพระอาจารย์ได้ย้ำแล้วว่าทุกสิ่งที่อย่างนั้นเกิดมาจากตัวเราเองทั้งนั้นเกิดมาจากความอยากก็โอเคค่ะพระอาจารย์ก็ทุกอย่างมันก็จะหยุยดยในใจแล้วก็ดับในใจนั้นแหะอย่าไปดับคนอื่น อย่าไปตีหัวคนอื่นเพื่อดับความทุกข์ใจเราต้องตีต้องตีหัวสิเลใช่เด็กค่บางทีก็ก็อ ย, อย่างว่านั่นแหละก็คือเราวุ่นวายเมื่อเราวุ่นวายมากเกินไปไปยุ่งมากเกินไปคนเราใจของตัวเราเองมันจะเกิดความทุกข์ค่ะมันมเราจะไปดับคนอื่นมันก็ยากเราก็ต้องหันมาดับใจของตัวเราเองเจ้าค่ะพระเจ้าจ ออกอตัอง้ตงเพราะใจเราเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็ต้องหยุดความทุกข์ที่ใจโอเคไม่มีคำถามหน้าปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปแล้วในนี่ส ก, ก็จะรู้ว่าไม่ยไม่มีอะไรกับภายนอกไอ้ตัวที่เป็นปัญหาก็คืออยู่ในใจเราเนี่โอเคนะ่าตวการคุณคันชิดจากใต้หวันเนีย น้กราบน้ำมาสการครับป้าอาจารย์อมีอะไรไหมอ๋อไม่มีอะไรครับเข้ามากราบปาอาจารย์ครับอันนี้ใต้วันยังยังออยนนะร้อนเดี๋ยวบางแล้วเย็นนะก็พายุเข้ามาวันสองสามวันที่ผ่านมาครับออืพายุเข้าแล้วก็ช่วงนี้ก็อากาศกําลังเย็นลงครับอโอเคไม่มีอะไรนะคราบปาอาจารย์อ่าเดี ครับการพระอาจารย์แกงแง่ครับคุณต้าใช่ไหมคุณต้ากับคุณแนทใช่มัป็นคุณแนทกันอันนี้คุณแนทกลับนมัสการพระอาจารย์กลับนมัสการครับพอาจารย์ครับอเดี๋ทำงานอยู่เล้วคุณต้าอ้าครับแต่จะเสร็จแล้วครับกําลังคิดว่าแน่จะกําลังจะกลับอีกสักสิบห้านาทีก็ฟังทำพระอาจารย์ไปด้วยครับฟังทำพระอาจารย์ไปด้วยครับยังอยู่ที่สำนักงานอยู่นะคใผมครับที่ทํางาน คอยทำงานขยันนะควาจําเป็นค่ะพระอาจารย์ค่ะเมื่อวันก่อนได้ไปตักบาทพระอาจารย์ค่ะน่าจำไม่น่าใครเป็นใครตักใส่แม่หรือใส่อะไรใส่ใส่บาทอยู่ที่ตรงกลางซอยจะมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งนะครับก็บอริต้าบริทาใช่ค่ะแบพักร้อนแบบว่าลาพักร้อนแล้วก็ เดี๋ยวช่วงนี้ก็คือเวลาเราพักร้อนไปเที่ยวจะต้องมีแบบไปทำบุญค่ะค่ะอาจารย์ก็เลยแบบจอมเพื่อไปตัดบัตรโดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับที่ไปโรงแรมบัวริตาสะดิมนะอยู่ก็ใช่ค่ะเขาจะอาหารให้เราเสร็จทุกอย่างเลยค่ะก็แต่หนูก็เตรียมไปเองแล้วก็แต่เขาจะฟ a ซิลิเตต สถานที่ให้นค่ะเวลาเจอกันทักกันนี่บางทีไม่จําไม่ได้เพราะในสู่มกับในตัวจริงนี่เกรงใจค่ะแต่ก็ศบตากับพระอาจารย์อยู่ก็ลุนอยู่บอกต้าว่าพระอาจารย์จะจําได้ไหมแต่ก็ใส่แหนะค่ะครับครับผมค่ครับก็ได้ได้มีโอกาสไปใส่บาตรพระอาจารย์ก็ทุ่งจริงจริงก็เคยเคยไปก่อนหน้านี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปบ่อยมากครับรอบรอบรอบที่แล้วก็ประมาณปีหนึ่งมาแล้วครับ ก็อยู่ที่เมืองชนนี่ไม่ใช่กหลยบ้านใช่ครับอยู่ที่อำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมือ ง, งชนบุรีนี่ครับก็ไม่ไกลแค่ชั่วโมะแล้วครับผนะม ค, บค่ะก็พยายามปฏิบัติดูค่ะพระอาจารย์พยายามพุทโธพยายามแบบเจริญสติค่ะก็แต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มันกําลังทวนกระแสค่ะพระอาจารย์แต่ก็จะไม่ทิ้งค่ะก็ต้องสู้ท่านน่ะพยายามอยู่ที่ไหนคําสําเร็จอยู่ที่นั่นนะค่ะได้ฟังพระอาจารย์สอนทุกอาทิตย์ก็มา เป็นการกระตุ้นตัวเองค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะครับขอบคุณครับพระอาจารย์ครับไปที่ลักสมบูรณ์ปุ้ยอย่างคุณปุ้ยคุณปุ้ยมีอะไรไหมยังไงมาสการค่ะพระอาจารย์คุณไม่มีอะไรแต่ว่าจะมารายงานตัวกับพระอาจารย์เอ่อน้อมนําบุญมาถวายพระอาจารย์ อ, อคุณปุ้ยไปร่วมบุญกระถินมาส<ม>ิบเอ็ดวัดรวมทั้งวัดบาศาแล้ววัดยานของพระอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็คุณปุ้ยไปเป็นเจ้าภาพเ อ, อเขาเรียกอะไรนะเทศมหาชาติสิบสามกันค่ะพระอาจารย์<ม>แล้วก็เ อ, อคุณปุ้ยก็ไป อ, อทําอย่างเนี้ยเครื่องอย่างเนี้ยเครื่องที่เขาใช้สําหรับตาก บ, บาทเทโวอะ่ะพระอาจารย์<ม> อ, อไปร่วมบุญ เ, ออเพราะเตรียมเตรียมการเอาไว้ก่อนออแต่ว่ายังไม่หมดนะสำหรับเดือนนี้ยังไม่หมดแต่โนม น, นำบุญมาถวายพระอาจารย์แล้วก็ขอให้ทุกคนที่เป็นเพื่อนในซูมนอกซูมขอให้ได้บุญด้วยกันนะคะสาธุโยมอ่ะมีความสุขมากเลยเพราะว่ายมชอบเทศมหาชาติมากและโยมดีใจ ที่ยอมได้เป็นเจ้าภาพทั้ง13กันเลยและเขาเป็นวัดที่ว่าโยมหามาจากอินเทอร์เนต็ตนละเป็นวัดที่น่าสงสารเป็นวัดที่มีพระอยู่แค่เจ็ดรูปจังหวัดสุขโขทยัยเขาไม่ได้ว่าเป็นพระปฏิบัติธรรมหรอกโยมก็เลยเข้าไปถามเฉยๆว่าเอขอข อ, ขอว่าถามว่าเป็นวัดจริงหรือเปล่ามีพระจริงใช่ไหยท่านก็บอกว่าใช่ ท่านก็เลยบอกว่าพระจริงๆโยมไม่ใช่พระปลอมโยมก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคโยมดูเจออินเทอร์เน็ตโยมงั้นงั้นโยมเป็นเจ้าภาพกระถินด้วยเนยโยมก็เลยรับไปเลยแต่เขาเขาก็น่าสงสารเขามีความน่าสงสารเพราะว่าเขาน้าท่วมอ่ะพระอาจารย์โยมดีใจมากเลยโยมก็เลยน้องนำมาถวายพระอาจารย์ขอบคุณจากนโมทนาอืมอ่ ขอให้พระอาจารย์ทาดขันแข็งแรงนะโย ม, มไม่ค่อยสบายโยมอาจจะหย่อนงานปฏิบัติแต่โยมไม่เคยหย่อนที่จะสวดมนต์ไหวพระเลยโย ม, มรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดๆหน่อยๆค่ะพระอาจารย์อทำไปตามกาลังของเราทำอะไรได้ก็ทำไปนะค่ ะ, ะ, ะ, ะแต่โยมถือศีลทุกวันศีลแปทุกวันฌานเจทุกวันพระอาจารย์นโยมก็สวดมนต์ ไหว้พระนั่งนั่งสมาธิกับพระอาจารย์ทุกวันค่ะโอเคสาทุขอให้พระอาจารย์ทัดนแข็งแรงอยู่ร0อยปีเลยนะอ่าขอให้คุณปู้ยมีแต่ความสุขความเจริญมีความนั่งรวยนะสาธุสาธุค่ะอ่าใบได้คนตายคนตายพทัทยาหน้าเปลือ น้ อ, กนอมกล่าวนมัสการค่ะพระอาจารย์อวันนี้มารายงานตัวเข้าห้องเรียนค่ะคไม่มีอะไรถามค่ะอ่าดีดทำการบ้านไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะพระอ า, า, าจารย์โอเคค่ะค่ะน้องนคุณวันนี้เข้ามาช้าหน่อยหลับไปแล้วมั้งพะอาจารย์กล่าวนมัสการเจ้าค่ะอืม แล้นักคนเนี่ยไม่อยู่เลยนักคุณหลับไปแล้วค่ะพอดีวันนี้หนูไปงานเลี้ยงของบริษัทค่ะกลับมาสองทุ่มก็เลยร อ, อเข้าพระอาจารย์ตอนสองทุมครึ่งค่ะเมืม่อตกี้เขาก็รอรออยู่จนง่วงหลับไปแล้วค่ะอืมก็เด็กแล้วนะเด็กนะจะเสียเท่านค่ะพระอาจารย์วันนี้มากาบขอพลังค่ะอืพลังก็อยู่ที่สตินี่พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆค่ะอืม ตอนนี้ฝึกเช้าเย็นวันละนิดวันละหน่อยก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะาอาจารย์ค่ะกรรนัดดกการค่ะอาจารย์สาธุจ่าคุณมาเลยพุตรากาศเจ้าหลวงพ่อค่ะเป็นยังไงปฏิบัติอยู่ค่ะหลงพ่อเสมอทุกวันค่ะหลวงพ่อไม่กลัว<ใ>เว้น ไม่ค่ะเริม่มตาขึ้นมาก็ตั้งสติก่อนเลยนะค่ะหลวงพ่อแล้วก็มีควาสมสงบแล้วก็มีความอัศจรรจย์ใจขึ้นเรื่อยๆค่ะอรามอุตจาเป็นสิ่งที่มันน่าอัศจรรจย์ใจค่ะหลวงพ่อตอนแรกคิดว่าปฏิบัติแล้วจะแบบเอ ใ, ใจหมายถึงว่าเออถ้ามาถึงจุดนี้แล้วจะยังไงต่อแล้วอยู่ๆก็ ก็จะมีอะไรมาให้ให้เห็นให้เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยังดีใจอยู่เลยค่ะหลวงพ่อดีทําไปเนี่ยมันมีข่าวสะใจเป็นขั้นๆไปขั้นการขาดสะใจใจขั้นศีลขาดสะใจขั้นสมาธิขั้นปัญญาเป็นขั้นๆค่ะหลวงพ่อแล้วก็มี มีข้อสอบมาอยู่ได้เรื่อยๆก็คิดว่าน่าจะผ่านค่ะหลวงพ่อเพราะว่าก็เหมือนเดิมเรื่องคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำทำเหมือนให้เราต้องเหมือนประจานอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่หนูก็ตอบด้วยเหตุผลไม่ได้ไม่ได้แบบไปทําอะไรคําพูดอะไรที่รุนแรงอะไรเงี้ยหนูก็ยังแปลกใจว่าทําไมหนูไม่ไม่ตอบโต้ไม่อะไรคือพูดพูดแบบ ปกติมากเลยอะค่ะหลวงพ่อใช่ เ, เพรจิตแล้วสงบไงจิตแล้วไม่มีอารมณ์ค่ะหลวงพ่อก็ยังรักษาความสดความสงบตรงนี้ได้อยู่ค่ะหลวงพ่ออัศจรรย์ใจได้เรื่อยๆค่ะยังเพิ่งล่าสุด ก, ก็เมื่อคือนนี้ค่ะหลวงพ่อมันนะก็ดูดูอาการสรามสองแล้วก็ ดูอสุภะพิจารณาไปเรื่อยๆอะค่ะหลวงพ่อแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนจะตันแต่มันก็ไม่ตันค่ะหลวงพ่อแล้วอยู่ๆมันก็สิ่งอย่างอย่างส ม, มุติอาการฐาที่สองเนี่ยค่ะงพ่อหรือก็จะไล่ไปตั้งแต่ผมขนเล็บฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วเสร็จแล้วอยู่ๆก็มันเหมือนมีมีภาพมาให้เห็น เอ่อซี่โครงโครงซี่โครงของเราอะค่ะหลวงพ่อ <S <S ซึ่งซึ่งหนูไม่ได้นึกถึงคือนึกนึกแค่สามสิบสองอย่างแต่แต่อันนี้มันมันนอกเหนือจากที่ ท, ที่ที่เอ่ยออกมาอยู่ในกลุ่มสามสิบสองใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วมันก็เป็นเป็นภาพมาให้ให้เห็นให้เราดูให้พิจารณาแล้วมันก็เกิดความสงบ เข้ามาอีกแล้วค่ะหลวงพ่อดียิง่งเราในเวลาที่ไปเจอเกิดกิการมาลุมขึ้นมาแล้วสามารถใช้มันได้ดับมันได้ก็ยิง่งยิ่งมาสจารย์ใจอหญ่ใช่ค่ะหลวงพ่อหนูหนูก็เลยแบบโอ้โหมันทําไมมันแตกใจมันอัศจรรย์ใจมากๆแล้วความสงบมันก็เพิ่มมันก็ขยับขึ้นมาอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่ออืมดีค่ะ ทำไปเรื่อยนะค่ะหลวงพ่ออั น, นนี้สาธุขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆค่ะอัะนที่คุณหมอสุท้ายสั้นนี้ค่ะแต่มาสการนพอาจารย์ชุาค่ะลูกไม่มีคำถามค่ะยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอยู่นะปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะโอเคไป น, นี่ณหมอ น้อโหเกงน้องก่รนามักดิ์การพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เข้ามาร่วมรับฟังเจ้าขาไม่มีคำถามเจ้าโอเคไปทีค่คุณคแอนปะค่ะค่ะแอนโตเกียวหรือแอนกรุงเทพเลยแอนโตเกียวค่ะวันนี้คือ <Tokyo S 2> มาจากกรุงเทพค่ะไปเรื่อยเลยค่ะ บินเป็นนกเลยคะ่ะหลวงพอ่อวั น, นอากาศตากแก้ว เ, เปนไงหนาวร้อนเลยกับยังมันขึ้นขึ้นเราลงค่ะช่วงนี้เป็นช่วงห น, น่าจะเปลี่ยนเข้าเข้าอ่าฤดูใบไม้ร่วงแต่ก็ยังร้อนอยู่ค่ะแต่วันนี้ก็เย็นขึ้นมาห น, น่อยนึงช่วงหน้าร้อนมันเคยร้อนแบบที่เมืองไทยไหมที่ตากแก้วนี่คือถ้หนูเทียบแบบอ่าจากที่มันร้อนมาทุกมาเจอทุกปีนะคะหนูหนูว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนที่ มีความสบายที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยพอถึงหน้าร้อนจริงๆมันร้อนแล้วมันเหนื่อยมันมันเคลียค่ะมันไม่เหมือนเมืองไทยมันจะมันจะมีลมใช่ไหมคะบ้านเราต่อให้ร้อนมันก็จะมีลมมีความเย็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่ญี่ปุ่นหรือที่ญี่ปุ่นนี่คือร้อนแล้วคือมันร้อนแล้วมันมันมันนิ่งใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยจะไม่ค่อยชอบหน้าร้อนที่นี่เท่าไหร่อืแต่ว่าบ้านเราเหมือนเราชินนะคะแล้วก็ความร้อนที่บ้านเราคือมัน มันมีลมให้ทั้งวันเลี้ยค่ะต่อให้ร้อนมันก็ไม่ได้รู้สึกรู้สึกอบอ้าวมากเลยค่ะแล้วก็มันมีมันมีแอร์ด้วยมไหมคะบ้านเราไปทังไหนก็มีแต่แอร์แค่เดินเข้าไปหาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีแอร์เลยเดินง่มีค่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนบ้านเราคือเหมือนบ้านเราแบบเหนื่อยๆเรร้อนกันแวะเดินเข้าเซเว่นได้เยแต่ว่าฉุกอยู่ที่นี่พอร้อนๆแล้วก็เหมือนกับมันเดินอยู่บนถนนนี้ค่ะเราก็ไม่ได้เดินเข้าไปที่ไหนนอกจาก ต้องหาห้หาอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ถ้าถ้าเป็นไปได้หน้าร้อนก็ก็จะจะอยู่แต่โรงแรมหรือไม่ก็ไปเดินห้างเลยทีเดียวแล้วก็ซื้อของทําะไรแล้วก็รีบกลับมาพักผ่ อ, น, อเนเดินเยอะแล้วมันเหนื่อยค่ะแต่เริ่มเย็นแล้วค่ะตอนนี้หลวงขออืมค่ ะ, คะก็ไม่มีอะไรค่ะนี้มารายงานตัวมานั่งฟังทุกทุกคนที่แล้ ว, ว, า ม, ลวมาอยู่วัดหรือมาอาที่มาตอนนี้ย์แล้วไม่ค่ะอาทิตย์ที่แล้ว ไปรับธรรมโอสถคยาหมดพอดีได้ได้ฟังเทศหลวงพ่อเลยช่วยได้เยอะเลยค่ะได้ได้ได้เอาธรรมมกลับมาไปไปแค่ตั้งใจไปกราบหลวงพ่อเลยค่ะแต่ว่าที่ที่บอกหลวงพ่อไว้ค่ะเดี๋ยวเดือนนี้หนูมีโอกาสจะได้อยู่อยู่คนเดียวอ่าประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าคุณพ่อจะจะไปหาพี่สาวไปอยู่กับพี่สาวเดือนหนึ่งใช่ไหมคะหนูก็จะจะว่างแล้วก็ไม่ต้องมีห่วง กังวลเรื่องดูแลคุณพ่อค่ะก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะคงคงจะไปอยู่วัดแพนไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีแบบติดต่อกันสามวันจะไปอยู่อีกสักรอบหนึ่งนะคะไปสามวั น, นค่ะแต่ว่าอยากจะไปช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่าไปแล้วจะได้ไปนั่งฟังธรรมของไปทําฟังธรรมะหน้ากุติด้วยไปนั่งนั่งลองนั่งสมาธิที่น้ากุติด้วยค่ะใช่ค่ะโอเค ขอบคุณค่ะตอนแรกนี่มีคําถามจะถามหลวงพ่อเยอะแยะเลยแต่พอพอมานั่งฟังทีละแล้วคําถามหายหมดเลยค่ะนึกไม่ออกเอาเอาฟังจากที่เพื่อนๆถามเอา<ม>ก็ได้<ม> ไ, ดได้คําตอบมาเยอะแล้วเหมือนกันค่ะวันนี้โอเคขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อค่ะขอบคุณตุกตาเนี่ยสุกัญญาเพชรจุลีชื่อเรื่ชื่ออะไรนึ่งไหมะตุกตาหรือเปล่าใช่ชื่อเรื่อเชื่ อ, อไไนะตุกตาเจ้าค่ะโอเค เป็นพยาบาลอยู่ยที่โรงพยาบาลเพชรบุรีเลยอะใช่ค่ะลูกลูกอ่าเป็นหัวหน้าศูนหัวใจอยู่ที่อ่าโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะเจ้าค่ะแต่ว่าเปิดรับสามสิบป่าช่วยคนไข้ส่วนหัวใจอล้วอยู่ที่เพชรบุรีเจ้าค่ะวันนี้ตอนแรกว่าจะมีคําถามเจ้าค่ะพอดี อสัปดาห์ที่แล้วลูกเห็นอพระอาจารย์อเหมือนจะไม่สบายมีไอเจ้าค่ะลูกก็เลยอยากจะถามคําถามค่ะอาจารย์ว่าอพระอาจารย์ร อ, าารยอ่าตั้งจิตตนยังไงเอเมื่อร่างกายนั้นไม่สบายเจ้าค่ะทําตัวเป็นหมอไปดูร่างกายเหป็นคนไข้ไหม <laughs> มันเป็นอะไรก็ลองวิเคราะห์ดู แก้ได้กแก้แก้ไม่ได้ก็ไปหาหมอหายา <c oughs> เราไม่ได้เป็นมันเนี่ยเราไม่ได้เราเราเป็นเจ้านายร่างกายร่างกายเป็นเบาใจก็ใจก็วิเคราะห์ดูว่าตอนนี้ร่างกายเป็นอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรกินมากเกินไปไม่งนอนน้อยเกินไปหรืออะไรมันก็มพอได้ข้อสรุปออกก็รักษาไปไ ม, ไม่เป็นอะไรก็ คือใจเราก็ไม่ไปทุกข์กับร่างกายรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้รู้ว่ามันต้องแก่เจ็บตายดูแลไปตามความสามารถของเราถ้าตัวเองดูแลไม่ได้ก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากหมอต่อไปก็ลูกก็ยังปฏิบัติอยู่จ้ะค่ะแล้วก็เดี๋ยววันหยุดวันหยุดนี้ก็เดี๋ยววันเสาร์ถึงวันจันทร์ลูก ไปบวชถือสินแปดที่หุบเขาโฟทิสัตว์แก่งกระจาเจ้าค่ะาาราคาของคุณแม่เชยสันเสนใช่ไหมใช่ใช่เจ้าค่ะดีนะส่วนใหญ่จะเป็นมีแต่ผู้หญิงได้ที่ไปส่วนใหญ่มีเป็นผู้หญิงเจ้าค่ะก็จะมีน้อยน้อยมากที่จะมีผู้ชายแล้วก็มีเด็กๆไปกับคุณแม่หรือว่ามีกันไปเป็นแบบครอบครัวก็มีเจ้าค่ะเด็กๆ ก, ก็มีไปเจ้าค่ะการจะมี การปฏิบัติตามเวลาใี่นหมลมไหว้พระฝนบนใช่ค่ะมีมตามตารางเป็นเวลาแล้วก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยค่ะช่วงนี้ฝนตกจ<ม>ะจะมีกิจกรรมอะไรประมาณนี้ก็จะมีพวกสมาธิบาบัดก็มีเจ้าค่ะฝึกลมหายใจ S K T อะไรประมาณนี้เจ้าค่ะแล้วก็ผ้าขันมาบาบัดก็มีด้วยค่ะเพราะว่าก็จะใช้ผ้าขันมา อ่าในการเจริญภาวนาแล้วก็เหมือนบำ บ, บัดในเรื่องของการดูแลเรื่องกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้ด้วยเจ้าคะ่ะบางคนก็มามาพักมามาพักสมองมาผ่อนคลายบางคนก็มาเพื่อวิเวกอะไรประมาณนี้คะ่ะทางคนต่างมาหาที่พักกายพักใจเจ้าคะ่ะ ส, ส่วนลูกเองก็ไปวิเวกเจ้าคะ่ะแล้วก็ภาวนาดีโอเคไ ป, ไปบ่อยๆนะไปเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ก็จะไปบ่อยอยู่เจ้าคะถ้ามีเวลา<ม>ว่างในเดือนนะมีวันจุดก็จะไปเจ้าคะ่ะอืมโอเคมีอะไรไว้ไม่มีเจ้าคะ่ะวันนี้มารับฟังแล้วก็ได้ไ ด, ได้ได้ข้อคิดแล้วก็ได้คำตอบจากจากที่หลายท่านถามคำถามค่อาจจะไปยูเจ้าคะ่ะโอเคสาธุการตมาสการเจ้าคะ่ะอ่าันนี่คุณหมอหน้าทวิตเตอร์คุณหมอ <c oughs> เป็นยังไงสบายดีเลยเป็นหมอองค์สักกา ร, ระพรจารย์สบายดีครับอ่ะตอนนี้ยังต้องเดินทางอยู่อ่ะก็น้อยลงครับอ่าน้อยลงเลยเดี๋ยวเดือนเดือนนี้มีไปเลคเชอร์ที่ยู u c เอแล้วก็นอกจากมีประชุมไปตอนช่วงปลายปีก็เดือนพฤศจิ ก, กาก็หมดแล้วครับแต่หลังไม่ได้ไม่รับงานแล้วครับก็ามาพยายามปฏิบัติไปทุกทุครั้งนี่นะเราต้องทําบ้องนะเร า, เาแบบเป็มรูปแบบไปทีนะี้ ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวมาลองใแต่บรรยากาศก็เป็นทางด่วนครับทางด่วนใช่ครับยินดีด้วยครับอจากถามผู้อาจารย์เรื่องวิธีพิจารณากระดูกครับเราไล่จากวกมองแล้วก็ดูแล้วก็ไล่จากหัวลงเท้าแล้วก็ก็มองมามาโครง ก, กระดูกทั้งโครงก็ได้แบบที่เขาแขวนอยู่ในห้องของท่านนักศึกษาแพทย์อย่นี้ ว่า น, นี่ก็คือองค์ประกอบของร่างกายที่เรามองไม่เห็นกันไม่เคยทําให้เราหลงไหลกับความสวยงามของร่างกายตอนนี้เห็โครงกระดูกปั๊บไปว่าโอ้มันคนเราก็มันก็โครงกระดูกหนัคคงควบโครกระดูกดีๆนี่เองไม่มันจะไปสวยงามตรงไหนใช่ัไหมนั่นแหละก็คือเป้าหมายก็คืให้มันดูให้เห็นว่ามันไม่สวยงามดังดังที่เราเห็นกันจากภายนอก แล้วที่พระท่านพิจารณาจนกระทั่งเห็นเป็นกระดูกไปเลยพอเห็นเห็นคนก็มองเป็นกระดูกอันนี้คือท่านต้องต้องดูมันตลอดเวลาจนกระทั่งคือถ้าดูเพื่อสัมผัสเดี๋ยวเราาก็ไม่ต้องทํำอะไรดูดูว่าเห็นส่วนประกอบว่ามันไม่น่าดูไม่น่าชมแต่ถ้าเราต้อการดูว่ามันเป็นทองไม่เที่ยงกระดูกนี่ในส่วนนก็จะกลายเป็นเศษกระดูกไปฮะต้องกลายตายไปผุ ผุพังไปกลายเป็นยินไปอันนี้ก็ต้องพิจารณาในรูปแบบนั้นอีกทีครับะต้องพิจารณาดูความไม่เที่ยงของร่างกายครับครับแต่เรแต่ว่าเราจะไปมองมุมไหนใช่ไหยครับแต่ว่าการมันก็ทำให้เราใจมันก็ไปอยู่กับกายมันก็ทําให้ไม่อไม่ไม่ไปที่อื่นครับคือร่างกายมันมีหลายมิติที่เราต้องเข้าใจคมันไม่เที่ยงมันมาจากดินน้ําลมไฟใช่ไหมครับครับแล้วพอร่างกายตายไปมันก็ ดินธาตุไฟมันก็แยกกันออกไปครับนะครับก็ไม่ใช่เราครับออครับดูความเป็นธาตุดูความไม่มีตัวตนเป็นธาตุดูความไม่เที่ยงบาดแก่เจ็บตายครับดูความไม่สวยงามสามมิติด้วยกันนี่เราต้องทกข์าจจะดูครับแต่สุขภานีตก็ก็ เวลามันหลงมันกต็ต้องดึงมาใช้ไะมครับใช่ครับมาะต้องพิจารณาให้บ่อยครั บ, รบได้ครับนะก็เดี๋ยวเอาไปพยายามปฏิบัติครับนะพยายามยมาพยายามมีเวลาไม่ต้องไปเลคเชอร์ไม่ต้องอะไรเยอะแต่พยายามพยายามเท่าทางปฏิบัติให้เยอะขึ้นครับนะว่างก็มาเนาะสะดวกก็มาครับนะเดี๋ยวอาจจะไปช่วงปลายปีที่ที่เข้าไปปฏิบัติไปครับอ ีช่วง น, นี้อาจจะเปลี่ยงานอีกนิดนึ่งแล้วพ็แล้วก็เดี๋ยวคงคงถึงเวลาแล้วก็เข้ายาวเลยครับมาโ <Okay. S 2> อเคไปไปเดี๋ย ว, วนี่ครับคุณกากาเฟ่รัชการครับอาจารย์มาเข้าห้องเรียนครับอน้ำหนักก็เรื่องน้ำหนักเพิ่มเท่าเดิมน้ำหนั ก, กไม่ได้ชั่งครับอ่าไม่ไม่กล้าชั่ง <laughs> จะรายงานอะไรดีก็ก็รายงานรายงานที่พระอาจารย์บอกว่าขอรายงานกับคุณดิณนะผลการดีวัตของอาจารย์บอกว่าก่อนที่เข้าพรรษาให้รักษาสินห้าแล้วก็สินแปดนะครับ <c oughs> ก็มาถึงสินสีลมากกว่าห้าไม่ถึงแปดครับก็เริ่มรักษาตั้งแต่วันที่ยี่บสองได้สองรอบครับนี่วันนี้วันสุดท้ายของรอรอบนี้ครับ <c oughs> ก็คือเป็น อ๋ออะไรนะก็ห้ามห้ามข้อหนึ่งที่ผมบอกไปก็คือการมาราคาก็คือหยุดเลยครับตอนนี้ก็ส่งผลเรียบร้อยได้ประมาณครั้งละประมาณเดือนครึ่งสองรอบครับอตอนนี้ไม่ได้พอดีไม่ได้ อ, อ่อทาสมาธิครับก็เลยหูุดครับแล้วก็พ <c oughs> อใจแอ้บก็น้องลุกคุกคายไปชนะบ้าง <c oughs> แพ้บ้าง <c oughs> พอใจนะครับแต่ว่าออสําหรับว่าเราเราอยู่ในคารวาสเร า, าก็พอใจนะครับแล้วก็เรื่อง อ, งอื่นๆสี่ห้าก็ปฏิบัติอยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่ได้แ ล, แล้วก็เรื่องเรื่องคระิาจาย์สอนใดๆผมก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันตลอดจนผมรู้สึกว่าผมก็อยู่คนเดียวได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องไปหาเพื่อนฝูงอะไรเยอะแยะแล้วครับนนก็ <c oughs> ครับ ก, ก็ก็แบบว่าไม่ต้องไปเที่ยวแปลอะไรก็ได้ครับเอออแล้ <c oughs> ว่าทํางานแล้วก็ โอกาสก็คือจะอยู่ที่วัดแล้วก็เกี่ยวกับวัดวาแล้วก็ฟังธรรมตลอดครับไม่ได้ไม่นอกรู้นอกทางไปไหนเลยครับอืมก็คือมีตนเป็นที่พึ่งจริงได้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไม่ได้เหงาอะไรเยอะแยะแต่ว่าถ้าไปก็ไปไปบ้างแต่ว่าแต่ว่าเป็นเพื่อนทางธรรมที่เข้าวัดไปทํากิจกรรมมากกว่าไม่ได้แปลว่าไปเที่ยวสุขสนาอนอะไรอะครับนี่ต่อไปจะได้ไปบวชได้ได้อยู่คนี่ได้น่าจ้าว เขาเพื่อนหรือก็หายหมดแล้วเขาเพื่อนไปทางนี้มันไม่มีเลยภาษาดิ้งก็อายุยังน้อยอยู่ไปหมดแล้วก็ขอเข้ามาขอบคุณพี่ๆทุกคนกับทางสาตจัด้วยครับนะเดี๋ยวคุณชนะดาจังหวปราการฤๅษีอาชาสังปราการเจ้าท่าผาจันการรัมสการเจ้าท่าผาจันค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้สบายค่ะผาจันก็ ใจมัน ก, นกลางๆอะค่ะพระอาจารย์มันไม่ไม่สุขกับไม่ทุกอะไรมันเฉยๆอะค่ะพรับ็ใช่ใจามันเป็นอย่างนั้นนะคะอืมเอ่อแบบไม่ต้องฝืนนะคะพระอาจารย์อืมเป็นของมันเองอยู่เฉยๆได้ใช่ค่ะก็ไปเอ่อมีมีโอกาสไปที่ <c oughs> มาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็แบบนึกถึงในอดีตอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์นึกถึงตอน วัยรุ่นวัเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อก่อนเนี้ยถ้าถ้าเป็นบางช่วงเวลามันจะนึกพอมันเห็นบรรยากาศอย่างนงี้ยมันจะนึกถึงแล้วมันก็จะคิดถึงเพื่อนๆนแล้วก็จะโทรหาเออเป็นเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่ที่นี่นั้นอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะหรือก็บรรยากาศตเก่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้คิดถึงพอพอลูกก็เลยพิจารณาดูพอพอความความความรู้สึกนั้นมันจะมาลูกก็ดูพิจารณาดูทั้งอากาศต้นไม้ ดูนึกถึงตอนช่วงนั้นนั้นนั้นเอ่อปรากฏว่ามันไม่เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์มุมมองมันเปลี่ยนไปอะค่ะมันมันมันไปเห็นกิเลสในช่วงนั้นที่มันบอกว่าสุขมันสนุกอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อย่างเดียวค่ะมันมีจริงมันมีความทุกข์มีกิเลสมีอะไรนี่นั้นหมดเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันไม่เป็นแล้วค่ะพระอาจารย์ที่มันจะอยาก จะไปเป็นตอนนั้นตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะเวลาเจอกันก็ดีใจเวลาจากกันก็เศร้าเนาะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะภาอาจารย์มันเห็นแบบนั้นแล้วมันก็เลยไม่มันเหมือนไม่ไม่ว่าจะตอนไหนตอนไหนมันก็เหมือนกันค่ะพอาจารย์ต <c oughs> ัวอยู่คนเดียวดกว่าัก็เลย <c oughs> มันก็เลยเฉยเฉยแล้วก็มี <c oughs> มีเรื่องเออ่ที่เขาเออ ที่เขาอะไรนะที่มันเป็นข่าวเด็กโดนรถไฟโดนโดนไฟคอกในรถอะไรกันเงี้ยค่ะอาจารย์ปกติถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันจะมันจะโดนใช่ค่ะตัวนี้ไม่เป็นเลยไม่ไม่ไม่เลยค่ะอาจารย์ใช่เป็นเรื่องธรรมดาไปนะใช่ค่ะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะอาจารย์เ้าแล้วก็มันก็ไปเห็นเป็นอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอะไรของมันอะไรเงี้ยค่ะที่มันจะเป็นอะไรเงี้ยไปเข้าใจไปหมดอืม มันเลมันเลยเหมือนกับว่าพอเห็นอะไรมันก็เห็นมันพิจารณาทาไปโดยอัตโนมัติของมันเองค่ะพระอาจารย์มันก็เลยเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย<ม>์<ม>ก็เลยไปเรื่อยๆอยู่ค่ะพระอาจาร<ม> ย, ย์แล้วก็ยอมหยุดเย็นของพระอาจารย์นะค่ะลูกก็เข้าถึงเอาเอาไปใช้ในการพิจารณาทำจริงๆใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะพระอาจารย<ม>์น้อมลูกน้อมเอาไปพิจารณาในทางปัญญาอยู่อ่ะค่ะพระอาจารย์ก็ จริงๆละเอียดอ่อนมากเลยค่ะพระอาจารย์เป็นอะไรที่ใช่ที่สุดเลยคะ่ะพระอาจารย์ก็ค่ะแม้กระทั่งแต่ก่อนนั้นลูกตอนลูกเข้าสู่ใหม่ๆแล้วแล้วลูกเห็นพระอาจารย์สอนคนนะคะออสอนคนบางทีคำตอบเดิมเรื่องเดิมอะแต่เปลี่ยนคนถามอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์หรือมมนเป็นเรื่องที่มันดูง่ายมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ลูกเห็นพระอาจารย์ตอบแบบ ไม่รู้สึกอิจนาละอาใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อไม่รู้สึกลำคาญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์โอ้ลูกก็ไปคิดถึงตัวเองเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ว่าแบบสมัยก่อนนี้เราคิดว่าเราเก่งเราแน่แค่ไหนเนาะเราพอคนที่เรารู้สึกว่าเราคุยไม่รู้เรื่องหรือคือความคิดตอนนั้นนะคะพอใครที่เราคิดว่าเราเ อ, อ เขาเรียกว่าอะไฉลาดน้อยกว่าเราหรือรู้น้อยกว่าเราหรืออะไรเราจะไม่อยากคุยกับเขาไม่อยากยุ่งกับเขาอะไรเนี้ยค่ะพระอาจารย์มาเห็นพอพอมาพอมาเปรียบเทียบแบบที่พระอาจารย์เป็นนารูปเห็นเลยว่าแบบ ค, ความเมตตาของพอระอาจารย์นั้นสูงส่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เก่งตัวลูกเองค่ะไม่ได้เก่งเลยไม่ได้ไม่ได้เศษอะไรของพอระอาจารย์เลยดูพระอาจารย์ท่านแบบว่าทั้งอันนี้เป็นความประเสริฐเลิศสุดเป็นความอันเนี้คือความเก่งที่สุด เลยคือคือลูกเห็นในในสิ่งที่พระอาจารย์ทําอะค่ะเนี่ยค่ะลูกก็เลยเปรียบเทียบกับตัวเองโอ้เราโง่มากเลยโง่ตั้งนานเลยดูสิอะไรเงี้ยคือเห็นยิ่งพิจารณายิ่งเห็นอะไรของตัวเองอะค่ะพระาอาจารย์เดิมเดิมเก่าก่อนนะคะโง่ตังมาก่อนฉลาดใ่ <c oughs> <c oughs> ค่ค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องกลัวความโง่นี่ก็ไมก็ดีอย่างมันทําให้เราฉลาดได้ใช่เอือ <c oughs> <c oughs> โอเคมีอะไรไม้มไม่มีแล้วค่ะภาจารย์โอเคค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณคร<า>ัอาจารย์ค่ะขอบคุณปานอมเชิญเซเลอร์อมอริค อ, อนมาอยู่มากี่ปีแล้วแบบในวัสการอาจารย์เนะะี่ยค่ะเดือนกุมภาที่จะถึงนี้20ปีพอดีเจา้าค่ะยี่สิบปีอ่ะไปกับแฟนหรือวางไปคนเดียวเวลาไปครังแรมากับแฟนคะ่ะมาแบบ ไม่รู้ภาษาเลยก็แฟนเตือตัวเครื่องบินให้มาคือแกไปหาก่อนแล้วสองครั้งก็แล้วก็ค่ะมาตามุณพปอันนี้อันนี้แฟน ย, ย, ยังอยู่รอเปล่ายังอยู่ค่ะตอนนี้ก็นอนพักผ่อนเพราะเขาเป็นโรคหัวใจค่ะช่วงนี้ก็อากาศเย็นแล้วก็มืดไวหนูก็จะไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมบ่อยแต่ก็จะ จะไประหว่างวันนะคะแล้วก็กลับบ้านก่อนมือ้อเพราะก็จะเป็นก่้งเรื่องการขับรถจ้ะก็กลับมาปฏิบัติต่อที่บ้านจะให้ความคือให้ความเมตตาหนูคือเรื่องการปฏิบัติเขาจะไม่เคยห้ามมีแต่ดีใจกับเราอนุโมทนากับเราร่วมทาบุญไปกับเราะคะทุครังที่ไปวัดไปปฏิบัติไปช่วยศาสนกิจของวัด ไม่เคยห้ามคะโชคดีหนูถือว่าเป็นคนใจมนุษย์เป็นคนมากค่ะเป็นคนมีเมตตากับกับทุกคนกับทุกสัตว์สัตว์กับสัตว์เลี้ยงเพื่อนบ้านอย่างที่อพาร์เมนต์ ม, มีสุนัขเยอะอย่างเงี้ยก็สุนัขก็จะชอบวิ่งขึ้นมาหามามาให้แกเลี้ยงอ่ะี้ก็เมตตารับได้ไหมเจ้ค่ะเจ้าสอนอยู่ว่างก็ ให้พุดโทให้ปล่อยวางไม่มีอะไรเป็นของของเราเราจะหมั่นให้ไปแล้วก็พระอาจารย์อ่เจ้าว่าท่านก็เมตตาค่ะคอยคือชื่นชอบเขาในเรื่องความมีเมตตามามแล้วบางทีเขาก็จะทำกับข้าวฝากหนูไปใส่บาตรฝากกับพระแต่เป็นคนอชอบสมถะแบบไม่ไม่ไม คือเวลาเห็นคนเยอะๆเขาจะอยู่ทําตัวไม่ถูกค่ะแล้วลูกก็ได้มีโอกาสเห็นของจริงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจ้ค่ะแ ม, ม่ยายของอดีตแม่ยายของสามีเสียก็คือขาของท่านทั้งสองข้างอะคะ่ะลูกได้มีโอกาสได้เห็นอสุภะของจริงอีกครั้งหนึ่งก็คือมันดําขึ้นมาตั้งสองข้างแล้วก็อ่า ก่อนท่านจะเสียท่านก็อยากเจอหนูหนูก็ไปหาท่านก่อนไปทำงานจะต้องไปหาท่านไปต้อนค้าไปให้กำลังใจท่านท่านก็ดีใจและได้มีโอกาสเห็นก็ทำให้รู้สึกว่าโอชีวิตคนเราที่เท่านี้เองเห็นของจริงได้เจริญอัศุภาย์ของจริงก็ไม่ทุกข์เจ้าค่ะเหมือนคุณพี่คุณที่แล้วที่ที่ท่านที่พี่เขาพูดมาค่ะ ปล่อยวางวเบกขายอมหยุดเย็นใครเขาจะเป็นอะไรก็รู้สึกสงบอยู่ข้างในะนะคะหลวงพออ่อแล้วคบเ่ค่ะโอเคับขอบพระคุณเจ้าค่ะคกลับไปรา ส, ก, รส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าน้องบีวันนี้มาคนสุดท้ายเลยน้องพีมันแม่ไม่อยู่เลยน้องพี อกาบน้าสะเทครับหลวงตาครับเออหมาอมามาไปทำหม่อมมาไปเอ่อไปพับเสื้อผ้าเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์จะไปตัก บ, บาตกับหลวงตาที่พัทยาครับอ๋ อ, อนนหน่ก็เลยหน่ก็เลยรีบมาหน่ก็เลยมาหาหลวงตาหน่คนสุดท้ายเพราะว่าหน่เน่เล่นเล่นจนเพลินเลย ลืมเลยว่าวันแล้วก็ลืมว่าวันวันนี้วันพุธค่ะอืมแ้ใครเตือนอ่ะ ค, คุณแม่มาม่าเตือนอ่ะมามามาเลยอยากิการันสนุกป่ดีก็ก็ปกติก็จะฟังเส้นอุ๊ยต่อแล้วลูก<ะ> ปกติก็จะฟังธรรมของหลวงพ่อทุกวันอยู่แล้วอะค่ะเป็นแล้วพอดีวันนี้ก่อนนอ น, นเขาไม่ได้เข้ามาไม่ได้มาหาหลวงตาเลยบอกว่าคิดถึงหลวงตาแต่หนูอยากเล่นที <c oughs> นี้พอพอก่อนจะนอนก็ยังเปิดฟังหนูก็เลยพูดกักว่าเนี่ย <c oughs> เห็นไหมคุณแม่ดีดีแต่ละคนเนี่ยพาลูกๆมาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยลูกก็จะได้ดีใครทำ วันนั้นก็ต้องได้ว่างนี้หนูก็เลยว่างนี้ใครทำดีก็จะได้ดีนี่คิดขึ้นได้ออ๊ยมามาเดี๋ยน้องพี่จะไปเอาโน้ตบุ๊กมาดู <laughs> าคิดได้ว่าตัวเองแบบเล่นนะคะค่ะเล่นเพลินหนูก็อัพไปเทิมอาก็ให้เขารีแลกซ์ก็เลยไม่ได้ว่าแต่ว่ า, าดีเดี๋ยวหนูจะพาพา บ, าบอกบอกลงตาแล้วเหรอ วันเสาร์วันเสาร์ไม่ไปใส่บาตนะโอหนูว่าจะไปใส่วันศุกร์ค่ะแล้วก็วันเสาร์ก็จะพาพาลูกๆไปฟังธรรมด้วยค่ะพอดีอลูกลูกชายแล้วก็อ่าอลิสแฟนเขาอะค่ะเข า, า, าก็เลยชวนชวนกันไปเขาก็แบบเขาก็ตื่นเต้นวาอาจะได้ไปหาเหรอไปาถาบอกว่าถ้าถ้าไปหาก็อาจจะไม่ได้คุยอะไรมากนอะไร เขาก็มีเรื่องเคี่ยวๆนะคะแฟนแฟนลูกชายนะคะหนูก็เลยบอกว่าก็เนี่ยฟังย้อนหลังนะหลวงตาที่ว่าท่านเทศสอนอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราแบบไม่รู้จะพูดอะไรเราให้เราได้ฟังปัญหาของคนอื่นๆมันสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราเองได้ถ้าเราแบบเหมือนว่ายังไม่กล้าที่จะถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อสอนครับ ว่าเราก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะใช่ค่ะ ม, มันก็แตกต่างกันนะคะหลวงพ่อแต่เขาก็<ม>เขาก็ห่างห่างจากบ้านเขาเขาก็คิดถึงเขาก็อยากท<ม>ําตรงนี้ให้สําเร็จอะไรเงี้ยแต่ก็บางทีก็กรบอกถ้ามันเรื่องเครียดเขาเนี่ยฟังหลวงตาเลย<ม>ฟังฟังหลวงพ่อเลยเขาเขาก็พูดว่าเขาเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีมากมแล้วก็แบบคนที่อยู่ในซูมแบบว่าคือดีมากเลยเขาเขารู้สึกแบบว่าดีต่อใจเขามากละคะถ<ม>ึงเขาพูดนะคะ เขก็ต้องแบบค่อยๆศึกษาค่ะหลวงพ่อโอเคมีตอนี้นะค่ะ<ๆ>โอเคเดึกแล้วน้องพีดไปนอนไนดะ้ออปาปิดเตาไม่เป็นไรนะโอ้จริงๆก็ดึกเกินไปค่ะปกติไม่เคยดึกป่นนี้โอเคค่ะกราบนมัสการค่ะบหลวงพอ่อท่าขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะไปในคุณลาคุณลาเช่นมีนคำตามมีคำถาม<ๆ>กราบนมัสการค่ะ พ่มีทั้งหมด5คําถามเจ้าค่ะสามคำถามจาก facebook และ2คําถามเป็นคําถามฝากถามเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับการเดินจงกรมนั่งสมาธิจุดประสงค์หลักคือต้องการให้หยุดคิดใช่ไหมครับเราหยุดยค้ดให้จิตนียงสงบแล้วจะไก่อความสุขที่เกิดจากความหยุดคิดเนี่ยเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวง จะทำให้เราไม่ต้องไปเพิ่มความสุขจากทำอื่นๆต่อไปถ้าเรามีความสุขในในตัวของเราเองคำถามต่อไปผมฝึกกำหนดความว่างซึ่งจะทาให้หยุดคิดได้ครับเวลานั่งสมาธิผมจึงไม่ได้กำหนดกรรมาฐานอื่นเช่นดูลมหรือพทุทโธเวลาเดินผมก็ไม่ได้กำหนดเท้าผมกำหนดใช้ความคิดให้ไม่ว่าง ผมทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ต้องหยุดคิดให้ได้นะเป้าหมายอยู่ที่การให้ไม่ให้คิดอะไรให้รู้เฉยๆคำ ถ, ถามต่อไปการที่เราทำบุญทำเพราะเกรงใจกับทำเพราะอยากทาในจำนวนเงินที่เท่ากันจะได้บุญแตกต่างกันไหมครับได้เท่ากันนะคือบุญที่เกิดจากการให้เพื่อชนะกิเลส ความโลภหรือความตันหนีนี้มันเท่ากันแต่ความเพิ่มปตินียอาจจะไม่เท่ากันบางทีถ้าเราทำตามที่เราอยากทำเราจะมีความเพิ่มปติมากกว่าทำเพราะเราเกรงใจหรือทำเพราะว่าเราต้องทำอะไรทำหน้านั้นมันจะไม่เกิดความเพิ่มปติคำถามต่อไปถ้าเราควรจะคิดพิจารณาอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางได้คะ พิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงเลยเป็นของชั่วข่าวนำํำมาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัวเปล่าๆเราอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวคำถามสุดท้ายกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะโยมมีคําถามเกี่ยวกับการให้กําลังใจแก่ญาติที่เพิ่งทราบว่ามีเนื้องอกที่สมองโยมควรให้กําลังใจเขาอย่างไรดีคะ กลบขอบพระคุณเจ้าค่ะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราเพียงแต่ใช้มันเป็นคนรับใช้เราชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นร่างกายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปตื่นตกใจกับความเป็นความตายของร่างกายใน เ, เวลามันจะตายเราก็ไม่เหลือดรอนเราไม่ได้เป็นร่างกายบอกเขาอย่าง น, นี้โอเคแล้ว okay, นะหมดแล้วใช่ไหมโอเค